นี่มากี่คนนสองคนค่ะสองคนมาจากสัตหบว ะ, คะเคยมาครับป่ะไม่เค ย, เคยแล้วมาได้ยังไง อ, อ่อขเาาขาบอกว่ายัางไงเขบอกว่าวันนี้มีรถพ่อเท่บอกให้เราขับรถมาเพื้เราขับม า, ามแถวขึว้นมาเอยเราฟังเทเด้ เป็นไฟังแบบจริงจังไม่จริงจังฟังนั่งหรือฟังนั่งอะไรอย่างงี้ฟังแบบบราพะตั้งน้โมูก็หาเสาพิงเนี่แล้วเวลาพระเทพก็คุยกันนี้อันนั้นเป็นฟังแบบทับทีในหม้อแกงฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ตั้งใจฟัง ม่อแต่ไปคุยกันอย่างนี้คนส่วนใหญ่เวลาเขาไปงานเขาก็ไม่ค่อยฟังพระหรอกพระสวดพระเทศเขาก็คุยกันเพรพะฟังไม่รู้เรื่องพระก็เอาภาษาพราะมาพูดโยมฟังก็ฟังไม่เข้าใจก็เลยไม่อยากจะฟัง เวลาจะพูดจะฟังนี่มันต้องพูดภาษาเดียวกันะคนฟังเนี่ยฟังรู้เรื่องถ้าถ้าพูดคนละภาษานี่ต้องเปิดเด็กชันลี่มันก็มันก็ไม่ทันพระชอบพูดภาษาบาลีอเซวนาจะบาลานังบันิตานันจ่าเสวนาพอพูดแค่นี้ก็งงนะแปลว่าอะไร กาเลนะธรรม ส, สวนณังเอตัมังกาลมุตตะมังนี่เป็นบาลีเป็นเป็นภาษาภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เทศในสมัยพุทธการแต่สมัยนี้เราไม่ได้ใช้ภาษานี้แล้วแต่เนื่องจากทางคณะสงฆ์ยังเห็นความสาคัญของภาษ า, าบาลีอยู่ว่าเป็นต้นฉบับของคำสอน ถ้าไม่ใช้บาลีใช้ภาษาแปลเดี๋ยวมันจะเพีย้ยนก็เลยรักษาบาลีไว้แต่ก็มีการมาแปลความให้ฟังอีกทีกาเลนะแปลว่าตามการตามเวลาทรมัสวางังแปลว่าการฟังธรรม การเลนะธรรมสวาังแปลว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเอตามา ม, ตามังกาลมุตตมังแปลว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งคือการฟังธรรมตามการตามเวลาก็คือเหมือนกับเรียนหนังสือตามเวลาโรงเรียนเปิดเช่นวันจันทร์ถึงศุกร์นี้ก็เป็นเวลาเรียนหนังสือ ก็ต้องไปเรียนหนังสือกันไปนโรงเรียนกันอโรงเรียนธรรมะนี่เปิดแค่อาทิตย์ละวันถ้สมัยก่อนวันพระวันพ ร, ระวันฟังธรร ม, รรมเพราะว่าญาติโยมไม่มีเวลาจะมาศึกษาธรรมะได้ทุกวันญาติโยมต้องทํามาหาเก็นเล้งปากเล้งท้องพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้มาในวันหยุดทํางานสมัยโบราณ ชาวบ้านชาวเมืองจะหยุดทํางานในวันโกนวันพระสมัยนี้เขาเปลี่ยนเป็นวันเสาร์อาทิตย์มันก็เลยไม่ตรงกันวันพระวันเข้าวัดก็เลยไม่ได้เข้าเพราะต้องไปทํางานพอวันเสาร์อาทิตย์วัดก็ปิดไม่ได้เทศไม่มีการสอนญาญยงก็เลยอยู่ห่างไกลจากธรรมะ ดังนั้นสมัยนี้ทางวัดต้องปรับให้เข้ากับญาติโยมคือปรับวันพระมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เอแต่ที่นีเนเ่เปิดทุกวันเลยโรงเรียนที่นี่มีการเทศทุกวันอในการเทศทุกวั น, เ, ททวนเหมือนสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าก็เทศทุกวันสั่งสอนทุกวันแล้วแต่ใครสะดวก จะมาก็มาฟังได้พระพุทธเจ้าจะเทศตอนบ่ายๆญาตโยมที่ว่างจากภารกิจการงานก็ไปฟังได้แค่วันนี้เสียงมันดังไปนิดตรงนี้สรุปแล้วก็คือต้องมีเวลาฟังเทศกันฟังเป็นระยะระยะเหมือนไปโรงเรียน ถ้าฟังครั้งเดียวเดี๋ยวมันลืมแล้วมันมีเรื่องให้ฟังเยอะเรื่องต้องเรียนรู้เยอะเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติถ้าเราเรียนไปแล้วปฏิบัติไปแล้วไม่รู้ว่าปฏิบัติแล้วได้อะไรมันก็ ไม่รู้จะวัดผลยังไงก็ต้องมีการวัดผลรู้ว่าเราปฏิบัติถูกทางหรือเปล่าก็ต้องเรียนก่อนทำบุญทำทานแล้วได้อะไรรักษาศีลแล้วได้อะไรนั่งสมาธิแล้วได้อะไรศึกษาทางปัญญาแล้วได้อะไรไม่งั้นก็ไม่มีกำลังใจที่จะเรียน เห็นไหมเด็กไปโรงเรียนก็ยังรู้เรียนแล้วก็าโตขึ้นเขาได้เป็นหมออถามเด็กสายบาดอยู่ปอสามปอสี่หนูอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอ อ, อเขาก็เลยต้องไปเรียนหนังสื อ, อเขาเขารู้ว่าถ้าเขาเรียนไปเรื่อยๆต่อไปเขาก็จะได้ไปเป็นหมอได้เพราะเป็นความรู้ที่เราไม่รู้กัน เราต้องเรียนถึงจะรู้พระพุทธศาสนาก็มีมีมีผลตอบแทนจากการเรียนเหมือนกันถ้าเรียนเรียนแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็ได้เป็นพระอริยบุคคลพระอริยะบุคลบคลก็มีสี่ระดับเหมือนระดับปริญญาตีโทเอกระดับที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาบัน ระดับที่สองเรียกว่าพระสกิดารามีระดับที่สามเรียกว่าพระอนาคารามีระดับที่สี่เรียกว่าพระอาหารหันต์แล้แต่ละขั้นก็มีมีผลรับต่างกันนะ เ, เป็นพระโสดาบานันนี่ไม่ต้องกลับมาตายไปแล้วถ้า ถ้าถ้ากลับมาเกิดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปอบายคือที่ที่คนทำบาปไปเกิดกันอบายมีอยู่สระดับเปรตเดรฉานเปรตอสุรกายนารกถ้าทำบาปคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดบเวณี พูดปดหนึ่สลายาเมาตายไปก็ต้องไปรับผลบาปเหมือนคนที่ทำผิดกฎหมายพอทำผิดกฎหมายตำรวจจับได้ขึ้นลงขึ้นศาลก็ตัดสินลงโทษติดคุกติดตารางถูกปรับแล้วแต่โทษหนักเบาถ้าหนักมากก็ประหารชีวิตนี่ก็เหมือนกันถ้าทำบาปแล้ว ไม่รักษาศีลก็จะตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมก่อนที่ทำไว้ทำไมถึงต้องรักษาศีลก็เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายกันเหมือนทำไมเราต้องเคารพกฎหมายรักษากฎหมายทำไมไม่ไปทำผิดกฎหมายผ่าไฟแดงด้วย ตำรวจอยู่แถวสี่แยกเขาก็ตามจับจับก็ต้องเสียค่าปรับถ้าเกิดไปชนกันเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ผิดเพราะว่าเราไปไปวิ่งในขณะที่เ้าห้ามไม่ให้เราวิ่งศีลก็เหมือนกันทําไมเราต้องรักษาศีลกันเพราะรักษาศีลแล้วจะทําให้เรา ตายไปไม่ต้องไปเกิดในอาบายแล้วขณะที่อยู่ก็สบายใจเราไม่ทำบาปแล้วใจเราจะสบายเวลาเราทำบาปใจเราจะไม่สบายเวลาเราไปโกโหกใครนี่เราจะไม่สบายใจกลัวจะถูกจับได้เวลาเราไปเอาของของคนอื่นที่เขาไม่อนุญาตไปขโมยของเขาเราก็จะไม่สบายใจ เพรากลัวเขาจะรู้กลัวเขาจะมาจากเราไปลงโทษนี่นี่คือทำไมเราจึงต้องรักษาศีลรักษาศีลแล้วจะให้เราสบายใจถ้าเรารักษาศีลห้าร้อยนี่เราสบายอกสบายใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องกัวงวลกับอะไรเราตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย ทำไมเรายังไปเกิดอยู่เพราะว่าเรามีส่วนที่ไม่ตายชีวิตเรามีสองส่วนส่วนที่ตายกับส่วนที่ไม่ตายส่วนที่ตายคือร่างกายนี่ร่างกายตายไปแล้วไม่ไปรับผลบุญผลบาปแต่ผู้ที่ต้องไปรับผลบุญผลบาปคือใจใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจนี่แหละคือผู้รู้ผู้คิดผู้สั่ง ตอนที่เราจะมาที่นี่ได้ใจต้องสั่งก่อนสั่งให้ร่างกายว่าเดี๋ยววันนี้เวลาสองโมงให้มาที่นี่พอสั่งแล้วถึงเวลาก็บอกให้ร่างกายเคลื่อนไหวถ้าใจไม่สั่งก็ไม่ได้ไปไหนใจถ้านั่งวันนี้ระบบไม่ค่อยดีโลบเสียงหาหาจุด เถียนไม่ได้เออพอดีแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วเาบาหน่อยแต่พอได้ยินนะได้ยินก็พอแล้ว่นี่คือทำไมเราต้องรักษาศีลการรักษาศีลนี่เท่ากับเป็นการรักษาจิตใจของเราให้อยู่ในฐานะของมนุษย์ มนุษย์นี่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานตรงที่มีศีลสัตว์เดรัจฉานนี่เขาไม่มีศีลเขาจะกินอะไรเขาก็มักจะต้องฆ่ากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์ต น, ตตน้อยเป็นอาหารถ้าไม่กินไม่ฆ่าก็ขโมยของของใครถ้าเขาอยากจะกินใครเผลอวางไว้เขาก็เอาไปกินเลย เขาไม่รู้จักคำว่าศีลเป็นยังไงเขารู้ดี ว, ว่าฉันหิวพอฉันหิวแล้วอาหารอยู่ตรงไหนฉันเอาตรงนั้นอันนี้คือความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับเดราชานมนุษย์มีปัญญามีความรู้ที่จะรู้ว่าทำอะไรแล้วมันจะทำให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นแล้วความเสียหายนั้นก็จะกลับมาหาตัวเอง เป็นยังไงวะแต่สัตว์เขาไม่รู้ผลของการทําบาปของเขาว่าจะเป็นยังไงนี่คือมนุษย์มนุษย์นี่ถือว่าฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วคือมนุษย์เนี่ยสัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้ถ้าเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วก็ถือว่า ใ จ, ใจนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วถึงแม้ว่าร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานเขาถึงต้องจาบพวกที่ไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วนี้ไปขังไว้ในในกรงไงกรงก็คือคุกตารางพวกนี้เขาไม่รู้ผิดถูกดีชั่วเขารู้ว่าถ้าเขาต้องการอะไรเขาก็จะเอาให้ได้ขโมยถ้าเขาต้องขโมยเขาก็ขโมย ถ้าก็ต้องฆ่าเขาก็ฆ่าเพื่อให้สิ่งที่เขาอยากได้เขาก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานต่างตรงที่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วพอร่างกายนี้ตายไปใจก็เป็นเดรัจฉานใจก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานต่อไป น, นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กันมองไม่เห็นกัน พอใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายใจเพียงแต่มีความรู้สึกนึกคิดแต่ไม่มีร่างกายไม่มีรูปร่างหน้าตาเพียง <ST> แต่มีรู้เรารู้ตลอดเวลาที่เรียกว่ารู้นี่ไม่ที่เรียกว่ า, ร เ, รวาเรารู้นี่ไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่รู้อะไรร่างกายนี้เป็นเหมือนอเหมือน เหมือนกล้องถ่ายรูปเหมือนอเหมือนเครื่องโทรศัพท์มือถือนี่เขาไม่รู้อะไรเขามีแต่ทำหน้าที่เวลาเราพูดเข้าไปในเครื่องเขาก็ส่งคำพูดของเราไปอีกเครื่องหนึ่งแล้วผู้ที่มีเครื่องหนึ่งก็ได้ยินเสียงเราพูดตัวโทรศัพท์นี้เขาไม่ได้รู้ว่าเขาเขารับคาพูดด้วยเขาส่งเสียง เ ข, เขาเพียงแต่ทำหน้าที่ของเขาโทรศัพท์ที่เราใช้เราพูดเข้าไปเขาก็รับหน้าที่รับเสียงของเราแล้วก็ส่งไปให้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งโทรศัพท์อีกเครื่องก็รับเสียงเราแล้วก็แล้วก็วกปิดเสียงนั้นออกมาให้อีกคนหนึ่งฟังนี่คือร่างกายเหมือนโทรศัพท์มือถือหูเรานี่ก็รับเสียงปากเราก็เป็นเหมือนอไมคร มันก็เหมือนเหมือนลาโพงส่งเสียงเราพูดเราพูดให้กับร่างกายคนหนึ่งฟังร่างกายเขามีหูเขาก็ได้ยินเสียงแต่คนที่รู้นี่ไม่ใช่ร่างกายคนที่รู้เสียงนี่คือใจเป็นอีกคนหนึ่งแต่อยู่อยู่อยู่ร่วมกับร่างกายเป็นเหมือนฝาแฝดแฝดะยาม เวลาพูดอะไรนี้ร่างกายรับเสียงเข้าไปที่หูแล้วส่งเสียงนี้ไปที่ใจอีกทีหนึ่งใจเป็นผู้รับรู้พอรับรู้แล้วอยากจะตอบกลับก็สั่งให้ร่างกายพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถามว่าไปไหนใจที่รับรู้ก็สั่งให้ร่างกายตอบกลับไปว่าไ ป, ไปที่นู่นไปที่นี่ผู้ที่สั่ง ผู้ที่รู้นี่ไม่ใช่ร่างกายนะผู้ที่มีความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รู้สุขรู้ทุกข์ก็คือใจเวลาร่างกายปวดท้องนี่ร่างกายมันไม่รู้ว่ามันปวดแต่ผู้ที่รู้คือใจผู้รับรู้ความปวดความเจ็บของร่างกายก็คือใจพอปวดก็เลยสั่งให้ร่างกายไปหยิบยามา ปวดท้องก็ไปหายามากินปวดหัวก็หายามากินถ้าไม่หายก็สั่งให้ไปหาหมอเนี่ยคนสั่งกับคนรับใช้นี่คนละคนกันถ้าถ้าเราไม่ได้ไปศึกษาเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะคิดว่าเป็นคนเดียวกันเราจะคิดว่าคนสั่งคือผู้รู้ผู้คิดกับร่างกายนี้เป็นคนเดียวกันก็เลยคิดว่าเวลาตายไปก็ตายกันไปพร้อมกัน เมื่อตายไปพร้อมกันแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปใครจะไปเกิดใหม่ก็เลยไม่เชื่อคนที่ไม่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่เชื่อว่ า, าตายแล้วต้องไปเกิดใหม่แต่ถ้ามาฟังเทศฟังธรรมได้รับการอธิบายว่าผู้สั่งผู้รู้ผู้คิดนี้กับผู้รับคำสั่งนี้เป็นคนละคนนัน เหมือนกับหุนหุ่นที่คนเชิดกับหุ่นนี้คนละคนนีคนเชิดเขเชิดให้หุ่นเดินได้ยกแขนยกขาอะไรได้แต่คนคนเชิดไม่ได้เป็นหุ่นหุ่นไม่ได้เป็นคนเชิดใจ น, นี้เป็นคนเชิด ร, ร่างกายนี้เป็นหุ่นผู้ที่ทำบุญทำบาปก็คือใจเพียงแต่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เป็นผู้รับคำสั่งไปอีกทีนึง่งนะและผู้ที่รับผลของการทาบุญทาบาปก็คือใจคือสุขทุกขนี้เองเวลาเราทําบาปใจเราจะทุกข์ใจเราจะไม่สบายพอเวลาไม่มีร่างกายความทุกข์นี้ก็จะเรียกว่านากหรืออบายจะไปเกิดเป็น เป็นพวกที่มีแต่ความทุกข์พวกเปรตพวกอสูรกายพวกนรกนี่ใจจะไม่มีความสุขจะมีแต่ความทุกข์ถ้าใจเป็นสุขนี้เวลาไม่มีร่างกายก็เป็นพวกเทพแล้วก็อยู่ในสวรรค์สวรรค์ก็คือใจที่มีความสุขนี้แหละเรียกว่าสวรรค์สวรรค์หรือนรกนี่ไม่ได้เป็นสถานที่เป็น เป็นสภาพจิตใจใจเรานี่เหมือนเหมือนกับเป็นเวทีละครเราสามารถจัดให้มันเป็นอร่อยก็ได้จัดให้เป็นป่าเป็นเขาจัดให้เป็นบ้านเป็นเมืองจัดให้เป็นอะไรได้เวลาเราดูละครนี่เขาจะเปลี่ยนฉากจัดฉากไปใจเรานี่นะเป็นเหมือนเวทีละครแล้วการทําบุญทําบาปของเรานี่เป็นการจัดฉาก เวลาเราทำบุญเราก็จะจัดฉากให้สวยงามให้ดูแล้วมีแต่ความสุขเวลาเราทำบาปก็เหมือนกับเราจัดฉากให้ไม่ไม่น่าดูน่ากลัวน่าเกลียดคือทําให้เราเห็นลดทุกข์ น, นี่แหละใจเรานี่แหละเป็นผู้ผู้เป็นผู้สร้างสวรรค์เป็นผู้สร้างแนวลบขึ้นมา ด้วยการกระทําของเราเองเราเป็นคนจัดจัดฉากในใจเราอย่างเวลาที่เรานอนหลับฝันไปเนี่ยตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ร่างกายน่่งกายนอนอยู่เฉยๆแต่ใจเราฝันว่าไปนู่นมานี่ไปทำนูน่นทำนี่บางทีก็ฝันดีบางทีก็ฝันร้ายที่ฝันดีก็เพราะว่าบุญเนี่ยเป็นผู้ทำให้เราฝันดี แล้วถ้าเวลาฝันร้ายก็บาปนี่แหะเป็นที่ทาเป็นผู้ทำให้เราฝันฝันร้ายนารกกับสวรรค์มันก็อยู่ในใจเราเนี่ยอยู่ที่ความฝันฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝันร้ายก็เป็นนรกเป็นอบายแต่สมัยนี้เขาเทศเขาไม่อธิบายให้ฟังฟังแล้วก็ต้องเชื่อยอย่างเดียวว่า ทำบาปตายไปต้องไปนรกไปอบายทำบุญแล้วไปสวรรค์แล้วก็ไม่รู้ว่าสวรรค์อยู่ตรงไหนเป็นยังไงนรกอยู่สวรรค์ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงแต่นี่มีเรื่องที่เราสามารถเปรียบเทียบพิสูจน์ได้เวลานอ น, นอนหลับนี่ก็เหมือนเราตายไปตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ร่างกายคนนอนหลับกับคนตายนี่เหมือนกันเลยสังเกตดู ถ้าไม่ไปใกล้ๆไปดูลมหายใจนี่จะไม่รู้ว่าคนไหนตายคนไหนไม่ตายตเวลานั้นนะ่ะมันก็เหมือนคนตายด้วยกันทั้งคู่อ่ะแต่ว่าคนหนึ่งตายเรายังฟื้นอยู่ไอคนหนึ่งตายเราไม่ฟื้นถ้านอนหลับมันยังฟื้นได้อยู่ยังตื่นขึ้นมาได้อยู่แต่ช่วงที่นอนหลับเนี่ยมันฝันกันฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างขึ้นกับบุญกับบาป ท, ที่เราได้ทำไว้เนี่ย ใจเรานี้มันเป็นเหมือนกล้องบันทึกภาพบันทึกเสียงเวลาเราทําอะไรนี่มันถ่ายเก็บไว้ในฝังไว้ในความจําพอเรานอนหลับนี่ภาพต่างๆที่เราไปถ่ายมานี่มันก็จะโผล่ขึ้นมาคนที่ทําบาปมักจะฝัดลายไปทําอะไรมามันจะฝังติดอยู่ในใจมันจะกลัวนูน่นกลัวนี่กลัวไปฆ่าเขาไปขโมยเขากลัวจะถูกเข้ามา ร่าแคนงโกรธอะไรต่างๆมันถูกฝังอยู่ในใจหมดพอเวลานอนหลับนี่เราไม่มีสติไปควบคุมใจมันก็จะออกมาเราไปถ่ายภาพไม่ดีภาพไม่ดีก็จะโผล่ขึ้นมาไปถ่ายภาพดีภาพดีมันก็จะโผล่ขึ้นมาเวลาเราทาบุญนี่เราถ่ายแต่ภาพดีๆทำให้คนนั้นเขามีความสุขทำให้คนนี้มีความสุขช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ ไปงานวันเกิดก็ซื้อของขวัญไปให้อะไรไปงานแต่งงานก็มีของขวัญมีอะไรวันเกิดเราเราก็จัดงานเลี้ยงเชิญเพื่อนคนนน้นคนนี้มากินมันก็มีแต่เรื่องดีๆอย่างนั้นเวลาเราทําความดีเราก็จะถ่ายภาพดีๆเก็บเอาไว้ในสมบัติเหมือนกับตอนนี้เราถ่ายภาพดีๆใช่ไห ม, มเวลาอยู่คนเดียวเหงาก็เปิดมาดูได้ใช่ไหมอ๋อไปที่นูน่นมาที่นี่ คนนู้นคนนี้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยการกระทําของเราตลอดเวลานี้ใจเราบันทึกไว้หมดนะมันทึกไว้ในใจเพียงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสโผล่มาในขณะที่เราตื่นเพราะเราไปมัวแต่ไปถ่ายภาพเลยไม่ได้มีเวลามีเวลามาดูภาพเก่าๆที่เราถ่ายไว้แต่พอเวลาเรานอนหลับนี่เราไม่ได้ถ่ายภาพนะอันนี้เรามีเวลาที่จะดูภาพต่างๆที่เราไปถ่ายไว้ ดูวิดีโอที่เราไปถ่ายไว้ก็เป็นความฝันฝันดีฝันร้ายเนี่ยก็อยู่ที่เราไปถ่ายมาทีนี้ถ้าเรานอนหลับมันก็ไม่กี่ชั่วโมงห้าหกชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเราตายนี่มันจะฝันยาวเพราะกาจะตื่นนี่มันต้องรอให้มีร่างได้ร่างกายอันใหม่ก่อนถึงจะตื่นระหว่างที่เราตายถึงเวลาที่เรามาเกิดใหม่เนี่ย เป็นเวลาที่เราจะต้องไปอยู่ในอบายหรือในสวรรค์เนี่ยเพราะอยู่ที่บุญที่บาปที่เราฝันอยู่ที่เราถ่ายไว้เนี่ยมันจะเอามาใช้ใเราดูอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ร่างกายอันใหม่พอออกมาจากท้องแม่ปั๊บนี่ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ได้ร่างกายอันใหม่ร่างกายอันเก่ามันหมดสภาพแล้วใช้ไม่ได้แล้ว เรื่องของความตายการเกิดก็แค่เนี้ยเหมือนการนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่เพียงแต่ว่าเวลาตื่นได้ร่างกายอันใหม่ไม่เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับตอนนี้นอนหลับตอนนี้เดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็ยังได้รับร่างกายอันเก่าอยู่เพราะร่างกายอันเก่ามันยังใช้ได้ใจเลยไม่ทิ้งพอร่างกายอันเก่านี้ใช้ไม่ได้ใจก็ทิ้งทันทีแล้วก็ไปหาร่างกายใหม่ไปรอเข้าคิว รอร่างกายอันใหม่ระหว่างเข้าคิวก็ไปฝันดีฝันร้ายไปก่อนออก็อาจจะเป็นหลายปีเป็นสิบปีร้อยปีพันปีก็ได้แล้วแต่ว่าบุญกับบาปที่เราทำไว้นี้มันยาวแค่ไหนถ้าเป็นหนังยาวก็ดูกันนานถ้าหนังสั้นก็ดูเดียวเดียว อ, อันนี้ก็คือเรื่องของเนี่ย การไปเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดร่างกายไม่ได้ไปแต่ผู้ที่ไปคือใจผู้รู้ผู้คิดใจนี้เป็นสิ่งที่มหาสารย์แปลกลึกลับเพราะว่าไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีขนาดไม่มีความกว้างความแคบไม่มีหน้ามีตาไม่มีแขนมีขาแต่ทําไมเป็นแหน่งที่ที่เก็บข้อมูลต่างๆไว้หมด ข้อมูลต่างๆที่เราทำไว้เนี่ยมันอยู่ในใจหมดแล้วความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากข้อมูลเหล่านี้มันก็ติดไปด้วยเวลาฝันดีก็เกิดความสุขใจอิ่มใจดีใจสบายใจใเวลาฝันร้ายก็เกิดความทุกข์ใจบางทีนอนหลับฝันร้ายนี่ตื่นขึ้นมานี่เหงื่อแตกพักเลยคิดดูนี่คือพลังของใจมันมี อำนาจมากต่อต่อความรู้สึกของเราความรู้สึกของเรานี่หนักอยู่ที่ใจความสุขทุกข์ทางร่างกายนี้มันไม่ดุนแรงเหมือนกับความสุขทุกข์ทางใจพระพุทธเจ้าจึงเห็นความสำคัญของใจทรงบอกว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับใจใจนี้เป็นใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา เพราะมันมีผลกระทบกับตัวเรามากที่สุดของอย่างอื่นนี้มันไม่มีมันไม่ไม่มีผลกระทบมากร่<ม>างกายมันก็เจ็บบ้างปวดบ้างแต่มันไม่ทุกข์ทรมานเหมือนกับเวลาใจทุกข์<ม>นั้นท่านบอกว่าให้เรามาดูแลจิตใจเราดีกว่าเพราะเราสามารถดูแลรักษาจิตใจของเราให้ไม่ทุกข์ได้ ให้มีแต่ความสุขได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่รู้จักวิธีดูแลรักษาจิตใจก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครรู้จักดูแลรักษาจิตใจแบบที่สมบูรณ์รักษาแบบผิดๆทุกๆแบบตามอารมณ์วันไหนอารมณ์ดีก็ทำดีพอทำดีก็ได้รับผลดี พอวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ไปทำร้ายชีวิตของเราก็เลยสลับกันไปสลับกันมาระหว่างดีกับชั่วสุขกับทุกข์จะให้มันสุขไปอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำแต่สุขอย่างเดียวบางวันเราไม่พอใจเราไม่สบายใจเราก็ไปทำไม่ดีมันก็เลยทำให้เราต้องพบกับทั้งสุขทั้งทุกข์ไป แต่พระพุทธเจ้านี้ส่งคนพบว่าเราสามารถควบคุมใจของเราสั่งให้มันทําแต่ดีได้เวลามันอยากทำไม่ดีห้ามมันได้หยุดมันได้ฉะนั้นเราจึงต้องมาศึกษาว่าการทําดีเป็นยังไงการทําไม่ดีเป็นยังไงแล้วเรามาคอยเฝ้าดูมันเวลาเราทําไม่ดีเช่นเราจะไปทําผิดศีลนี่ก็ต้องห้ามมันอย่าไปทําบางทีมันอยากได้ของ แล้วมันไม่มีเงินซื้อเงินไม่พอมันก็ต้องไปโขโมยไปโกงเทพเจ้าบอกว่าได้ไม่คุ้มเสียได้ของที่เราอยากได้มานี้ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่มีความหมายนะใช่ไหมของที่เราซื้อมาเยอะแยะกองอยู่ในบ้านเต็มไปหมดไม่มีความหมายมองทีไรก็ไม่มีความสุขสุขตอนที่มันอยู่ในร้านนั่นนั่นเองตอนที่อยู่ในร้านอยากได้พอได้มาสุขเลือเกิน พอได้มาเป็นของเราแล้วที่ก็เฉยๆแล้วสิเห็นมันทีไรก็ไม่เห็นสุขเหมือนตอนนี้มันอยู่ในร้านงั้นอย่าไปอย่าไปทําได้ไม่คุ้มเสียเลยะเพราะว่าถ้าเราทําด้วยได้มาด้วยการทําบาปนี่ใจเราจะวุ่นวายใจเราจะไม่สบายแล้วมันจะติดเป็นนิ ส, สัยเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะทําอีกพออยากได้อะไรของ ไม่ได้เงินไม่พอใช้ไม่พอซื้อก็ต้องไปขโมยเพือไปโกงมามันก็จะทำให้เราติดนิสัยไม่ดีแล้วเลยจะ ก, การทำให้เราไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเริ่มกลายเป็นเดรัจฉานไปแล้วเพราะเราจะอยากได้นู่นอยากได้นี่เราก็ต้องโกงอยู่เรื่อยๆอย่ามันจะคันแน่นสมัยนีเรื่องของการโกงนี่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะใครไม่โกงเขาเรียกว่างโง่ใช่ไหอคนโกงเนี่ยฉลาด เพราะได้ได้สิ่งที่อยากได้แต่ไม่รู้ไอ้สิ่งที่ไม่อยากได้ได้มาก็ไม่รู้คือความทุกข์ใจไม่สบายใจนี้มัน ม, มันได้มากับของที่เราอยากได้แล้วก็ทําให้เราต้องติดเป็นนิสัยไม่ดีไปจะทําจะทําบาปไปเรื่อยๆแล้วจะทํามากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเวลานอนหลับก็ฝันลายฝันไม่ดี ไม่รู้ว่าเนี่ย ม, มันมาจากไหนไม่รู้ว่าฝันไม่ดีเป็นนย้งมาจากอะไรก็มาจากการทำบาปของเราเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าบอกคนที่ทำดีนี่นอนหลับจะไม่ฝันร้ายนอนหลับจะฝันดีเวลาตื่นก็มีสุขเวลานอนหลับก็มีสุขคนทำความดีคนทําบาปนี้ตื่นก็ทุกข์หลับก็ทุกข์นอนหลับก็ฝันร้าย ตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายคนทําดีนี้ตายไปแล้วไม่ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดในสวรรค์อั น, นี้คือเรื่องของใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่เรามาเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนานี้เราเรียนรู้เรื่องของใจเรื่องของร่างกายนี้ทางโลกเขารู้กันหมดแนละ้วร่างกายมีอะไรบ้างแต่เรื่องของใจนี้ไม่มีใครรู้ ต้องมาเรียนรู้จกากพระพุทธศาสนาเพียงแห่งเดียวเราจะได้ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเราต้องทำความดีทำไมเราต้องไม่ทำบาปแล้วถ้าเราอยากจ ะ, ะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้พระพุทธเจ้าก็รู้จักวิธีว่าถ้าเราเบื่อกับการต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อย พอ เ, เกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องทุกข์กันทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายพระมุตเจ้าก็รู้จักว่าสาเหตุที่ทําให้เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆคืออะไรก็คือความอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ อ, อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่ง น, น, งนี้ก็ต้องมามีร่างกายก่อนถ้าไม่มีร่างกายสมมุติตอนนี้เป็นดวงวิญญาณอยู่นี้ จะมาเอาอะไรได้ะจะมาเอาแฟนได้มไม่ได้จะมาเอาเงินทองได้เอาไม่ได้ต้องมามีร่างกายก่อนก็เลยต้องไปหาร่างกายพอกายตั้งท้องป๊อก็ไปไปยึดเลยไปครอบครองไม่เลยพอไม่มีใครไปครอบครองก็ไปใครไปถึงก่อนก็เอาเลยเวลาใครตั้งครรภ์ น, นี่โดน ว, วิญ ญ, ญาณแต่ละดวงนี่กาลังจ้องรอ เราจังหวะเออดูว่าใครกําลังตั้งคันอยู่พอตั้งคันปุ๊บเขาจะไปเกาะทันทีพอเขาต้องการมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายเพรอเขายังอยากดูหนังยังอยากฟังเพลงยังอยากกินนู่นกินนี่ดื่มนั่นดื่มนี่อยู่มันก็ต้องมีร่างกายนพระเจ้าบอกว่าถ้าตัดความอยากนี่ได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายอ <Yeah. S 1> ไม่มีร่างกายก็ไม่ต้อง ไม่ต้องมาทุกกับร่างกาย อ, อยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าวิธีที่จะอยู่แบบไม่มีร่างกายไม่ใช้ร่างกายก็ต้องทำใจให้มีความสุขในตัวเองวิธีที่จะทำใจให้มีความสุขในตัวเอ ง, เองก็ต้องทำใจให้สงบที่เรียกว่าสมา ธ, มาธิให้นั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ด้วยสติใจก็จะไม่คิด พอใจไม่คิดใจก็จะนิ่งแล้วก็จะมีความสุขขึ้นพอมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายไม่ต้องมีร่างกายพวกที่นั่งสมาธิได้แล้วตัดความอยากได้เขาก็จะตัดความอยากได้เพราะว่าเขามีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่งตางๆคนที่มีความอยากก็เพราะว่าไม่มีความสุขในตัวเอง เลยต้องไปหาความสุขทางทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องไปเที่ยวที่นั่นต้องไปดูหนังฟังเพลงต้องไปกินเลี้ยงต้องไปเดิมถึงจะมีความสุขกันแต่ต้องมีร่างกายถึงจะทำได้ถ้าไม่มีร่างกายก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีร่างกายก็ต้องไปรอหาร่างกายพอได้ร่างกายพบก็ ถึงจะมาหาความสุขได้แต่ก็บางทีหาได้มากหาได้น้อยก็อยู่ที่ความสามารถบางทีได้ร่างกายแล้วแต่หาเงินไม่เป็นก็หาความสุขได้น้อยคนที่หาความหาเงินหาเงินทองเป็นก็หาความสุขได้มากกว่าแต่จะมากหรือน้อยเดี๋ยวตายไปมันก็หมดหมดแล้วก็อยากจะกลับมาหาใหม่กลับมาเกิดใหม่ นี่คือเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายนี่ที่มาเกิดกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรายังมีความอยากกันมีใครบอกไม่มีความอยากไหมยังอยากกันไหอยากได้ลาบยศไหมเนี่ยเป็นอาหารอยากได้เรื่องเรื่อยศไหมให้เป็นในเรือไหมหรืออยากจะกลับไปเป็นพลทาหาร มีแต่อยากขึ้นไม่มีใครอยากลงอยากรวยมากขึ้นรวยน้อยลงนี่ไม่มีใครเคยขอญาติโยมไม่เคยมาขอพรหลวงพ่อขอให้หนุนรวยน้อยลงนะ <c oughs> เบื่อแล้วเกินเงินทองมีมากแล้ว <c oughs> มันเป็นภาละไม่มีใครบอกนี่เลยมีแต่ไม่พอใช้มีแต่ <c oughs> มันจะพอไงมันเพราะความอยากมีเท่านี้มันก็ใช้หมดอ่ะมีอีกสองเท่ามันก็ใช้หมด ก็มีของที่อยากจะซื้อเยอะแยะไปหมดรายการที่อยากจะซื้อของนี่เยอะแยะไปหมดถ้ามีเงินมาเถิดไอ้ที่ใช้เงินนี่มันไม่มีปัญหาหรอกปัญหาอยู่ที่มันไม่พอใช้มากกว่าเพราะความอยากอีกใช่ไหมแต่ถ้าเรามานั่งสมาธิได้ทำใจสงบได้เงินทองจะเหลือใช้ไม่ได้ใช้เลยไม่รู้จะไปใช้ทาอะไรเพราะความสุขที่ได้จากการใช้เงินซู้ความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิไม่ได้ นั่งสมาธิดีกว่าเอาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าก็เลยไม่ต้องไปใช้เงินเมื่อไม่ใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงินไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องทุกข์หาเงินมันง่ายี่ยหาเงินก็กจะได้มาแต่ละเดือนเงินเดือนเงินเดือ น, น, นก่อจะออกทีนี้โอเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยละออกมาไม่กี่วันก็หมดละปุ๊บเดียวไม่พอใช้ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ มาหัดนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ทำให้เราพอให้มาหาความสุขจากการนั่งสมาธิพอเรามีความสุขนี้เราจะไม่ต้องการอะไรไม่ต้องอยากอะไรไม่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะถ้าเราไม่ต้องการราบยศ ส, สรรเสยไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกาย ก็ไม่รู้จะมาเกิดทาไมเกิดก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์เพต้องมาเลี้ยงดูร่างกายต้องหากินหาหากินหาอยู่ให้กับร่างกายแล้วยังต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอกก็ไม่กลับมาคนที่เขามีความสุขในใจแล้วเขาไม่กลับมาถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดให้เรามาสร้างความสุขในใจเราดวยการฝึกสมาธิ ใจเราจะสงบได้ต้องมีสติสติเราจะเกิดขึ้นได้ต้องมีอะไรให้ให้ใจเพ่งหรือคิดอยู่เช่นให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธนี้เราก็มีสติเพราะเราจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเวลาเราคิดนี่เราคิดได้ทีละเรื่องเราจะคิดทีหลายๆเรื่องไม่ได้แต่จิตมันเร็วมากมันบางทีจะทาให้เรารู้สึกว่าเราคิดหลายเรื่อง แต่ความจริงมันเป็นหลายเรื่องที่ตามกันมามันจะคิดพร้อมๆกันทีเดียวไม่ได้เช่นจะว่าพุทโธแล้วว่าขอบคุณพร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมกูจะว่าขอบคุณก็ต้องรอให้พุทโธเสร็จก่อนหรือหรือต้องให้ต้องให้พุทธโทหยุดก่อนแล้วขอบคุณเนี้ยขึ้นมาได้แต่เวลาใจมันคิดมันเร็วมากมันเลยคิดเหมือนกับว่ามันคิดพร้อมๆกันได้แต่ความจริงมันได้ต้องต้องรอเข้าคิวกันคิด เนถ้าเราคิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธนี้เราก็จะกันความคิดอย่างอื่นได้เราก็จะหยุดความคิดได้พอหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบใจจะนิ่งใจพอนิ่งแล้วใจก็จะเบาจะสบายจะมีความสุขที่มาหนักอกหนักใจก็เพราะความคิดนี้ไม่ใช่เหคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองก็หนักอกหนักใจคิดถึงเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาก็หนักอกหนักใจ คิดถึงงานที่กาลนั้นมันก็หนัก อ, อกหนักใจไปหมดพอเราไม่คิดว่าปั๊บนี่ความหนัก อ, อกหนักใจหายไปเลยออแต่เราไม่รู้เนี่ยว่าความหนัก อ, อกหนักใจความทุกข์ความไม่สบายใจความอยากต่างๆของเรานี้เกิดจากความคิดของเราทั้งนั้นถ้าเราหยุดความคิดได้มันจะไม่มีปัญหาเลยแล้วเราก็อยู่ได้การไม่คิดนี้ไม่ได้ทําให้เราตายหรือทำให้เราอะไรทําให้เราสบาย ไม่คิดแล้วใจว่างเพราะใจถึงนั้จะไม่คิดมันก็ยังรู้อยู่ความรู้นี่ความรับรู้ของใจนี่รู้อยู่ตลอดเวลารู้ใครพูดอะไรก็รู้เพียงแต่ไม่ไปคิดถึงที่สิ่งที่เขาพูดก็พูดแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปมันก็ไม่มีอารมณ์ตามมาแต่ถ้าเขาคิดแล้วเขาพูดแล้วเอามาคิดซ้าอีกทีว่าเอ้ยมันว่าเราทาไมวะมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมา แต่ถ้าคิดว่าเขาว่าเราเอาว่าเราก็จบจบไปผ่านไปแล้วไม่ไปคิดถึงมันมันก็ไม่มีอะไรให้รู้เฉยๆพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขของใจอยู่ที่การรู้เฉยๆรู้โดยไม่คิดอะไรอย่าไปคิดอะไรกครจะพูดอะไรก็ไม่นองคิดอย่าไปต้องไปคิดว่าเขาดีเขาพูดดีเขาพูดไม่ดีเรื่องของเขาเรื่องของเราคือให้รู้เฉยๆเรื่องของเราอย่าไปหนักอกหนักใจกับเรื่องของคนอื่น ที่เราหนักอกหนักใจเพราะเราไปคิดถึงเขาพอคิดแล้วก็ไปอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นขึ้นมาก็ทุกข์หนักอกหนักใจถ้าไม่คิดเราก็ไม่รู้เรื่องเขาจะเป็นอะไรก็หลวงของเขาเราก็จะไม่หนักอกหนักใจแตถ้าเราฝึกหยุดคิดได้ต่อไปเราจะไม่มีความหนักอกหนักใจเพราะเราหนักอกหนักใจเราก็จะรู้ว่ากำลังคิดแล้วก็หยุดมัน หรือถ้าจะคิดก็คิดแบบไม่นะ ไ, ไม่ไม่ทำให้เราหนักอกหนักใจได้ถ้าเราต้องคิดให้คิดแบบที่จะทําให้เรา Sign lose, ไม่หนักอกหนักใจคิดยังไงไม่หนักอกหนักใจก็คิดว่าเขาไม่ใช่สิ่งที่เราไปสั่งเขาได้จะไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกับเขาเป็นกล้วยจะไปสั่งให้ก็เป็นส้มไม่ได้กล้วยก็ต้องเป็นกล้วยส้มก็ต้องเป็นส้มน คนกินเหล้าไปสั่งให้เขาไม่กินเหล้าสั่งไม่ได้เขาจะกินเขาไปเขกินไปเลยแต่ที่เราหนักอกหนักใจก็เพราะว่าเราไม่อยากให้เขากินเพราะเราไม่มองความจริงก็เขากินแล้วเราไปสั่งให้เขาไปขอให้เขาไม่กินได้ไงใช่ก็เขาเป็นกล้วยจะไปให้เขาเป็นส้มได้ไงเขาเป็นเน่าจะไปให้เขาเป็นน้ำเปล่าได้ไงเวลาเ็าดื่มเขาก็ดื่มแต่เหล้าเขาไม่ดื่มน้ำเปล่า มันต้องมองความจริงแล้วก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเข้าใจไหมปัญหาของพวกเราคือไม่มองความจริงกันชอบมองความอยากของเราพอเราอยากให้เขาเป็นอะไรก็ไม่สนใจละก็จะเป็นก็ไม่เป็นเขาต้องเป็นไปตามความอยากของเราให้ได้พอเขาไม่เป็นเราก็เลยหนักอกหนักใจทุกข์ใจเสียใจขึ้นมาเราไม่มองความจริงกันมองความจริงไม่เป็นชอบมองแต่ความอยากของเราอยู่กับความคิดของเรา แล้วก็อยากไปกับความคิดของเราเพ้อฝันอยู่ตลอดเวลาฝันให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ลูกก็อยากให้ลูกดีเรียนเก่งได้ปริญญาทำงานทำการมีหน้ามีตามีครอบครัวมีความสุขคิดกันนีกันทุกคนไม่มองความจริงว่าเขาเป็นได้หรือเปล่าเขาเป็นได้ก็ดีถ้าเขาเป็นไม่ได้จะทำยังไงนี่คือให้คิดว่าเขาแต่ละคนนี่เขามีผู้กากับชีวิตของเขามา ให้เขาดีแล้วไม่ดีดีมากดีน้อยใครแล้วเป็นคยผู้กรามกับก็คือกรรมของเขาเนี่ยแหละการกระทำของเขาเนี่หละเขาทำอะไรมามันหนึ่งมันทำให้เขาติดเป็นนิสัยมาเขาเคยกินเหล้าเขาก็จะมากินเหล้าต่อเขาเคยเล่นการพนันเขาจะมาเล่นการพนันต่อเขาเคยทำบุญเขาก็จะทำบุญต่อเขาเคยเรียนหนังสือชอบเรียนหนังสือเขาก็จะเขาก็จะชอบเรียนหนังสือเห็นไมคนเรามันเหมือนกันที่ไหน เด็กนี่แต่และคนเหมือนกันที่ไหนเด็กบางคนก็ชอบเรีนบางคนก็ชอบเล่นอันนี้เ ร, เรียกว่ากรรมคือนิสัยไงทําอะไรซ้ำํำ ๆ, ๆอยู่เรื่อยมันก็เลยเป็นนิสัยขึ้นมาถ้าหนักเข้าไปก็เป็นสันดาน ล, ลึกเข้าไปก็เป็นสันดานเนี่ยเราเราไปแก้สันดานแก้นิสัยเขาไม่ได้แต่เราสอนเขาได้บอกเขาได้ว่านิสสายนี้ไม่ดีนะทําแล้วเดี๋ยวจะเกิด ปัญหาตามมานะนิสัยขี้ขโมยนี่ไม่ดีทำแล้วเดี๋ยวจะถูกเขาจับไปลงโทษได้ชีวิตจะไม่มีความก้าวหน้าไปทำงานที่ไหนก็ไม่มีใครก็จะรับเราว่าเราเป็นคนคนขโมยขี้ขโมยสอนได้แต่จะทำให้เขาเป็นไปตามคาสอนได้หรือไม่นี้ต้องอยู่ที่ตัวเขาเขาเปลี่ยนตัวเขาได้ถ้าเขาอยากจะเปลี่ยน แต่ถ้าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนก็ช่วยไม่ได้นี่คือการคิดแบบทำให้เราไม่ทุกข์ต้องคิดว่าเขาแต่ละคนนี่เขาเป็นของเขามาอย่างนั้นสิ่งเดสิ่งที่เราทำได้ก็เพียงแต่สอนเขา mm hmm. ถ้าเขายังเป็นเด็กอยู่เขาอยู่ภายใต้การานำพาของเราแล้วก็นำพาเข้าไปในทางที่ดีได้เช่นพาลูกมาวัดพาลูกไปใส่บาทพาลูกไปทำบุญ ตอนที่เขาไปไหนเองไม่ได้เขาต้องไปกับเราเขาก็ต้องทำตามเราแต่พอเขาโตขึ้นแล้วนี่ถ้าเรียกเขาไม่มาแล้วก็อย่าไปอย่าไปทุกข์เลยแสดงว่าเขาไม่อยากจะมาเขาไม่ชอบเขาอยากจะไปทางอื่นของเขาก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าบางทีเราทำพาเข้ามาบ่อยๆก็อาจจะติดนิสัยขึ้นมาก็ได้บางทีเราไม่ได้ชวนเขาถึงเวลาเขาจะชวนเราก็ได้ แม่วันนี้ไม่มาวัดเลยเพราะเขาเคยมาทุกวันทุกครั้งทุกอาทิตย์อย่างนี้พอวันนี้แม่ไม่ไม่สบายหรือแม่ไม่ว่างไม่ได้มาก็ถามนะา่นี่แสดงว่าเขาได้รับนิสัยใหม่จากเราไปาพ่อแม่มีส่วนหนึ่งที่จะสามารถากล่อมเกลาอบรมนิสัยของลูกได้นั้นก็าถึงบอกให้รีบทําตอนที่เขายังเล็กอยู่ไม้อ่อนมันดัดง่าย พอไม่แก่แล้วมันดัดยากเพราะพอเขาเริ่มเป็นตัวของเขาแล้วนี่เขาทําอะไรของเขาเองได้แล้วนี่เขาจะไม่ค่อยอยากจะทําอะไรตามที่เราบอก แ, แต่ตอนที่เขาเป็นเด็กนี่เขาทาเองไม่ได้ไปไหนมาไหนเองไม่ได้เฉนั้นพอพ่อแม่พาไปไหนก็ดีใจแล้วดีกว่าอยู่บ้านพาออกนอกบ้านก็ดีใจแล้วถึงแม้จะไปวัดเขาก็ไม่รู้ว่าวัดเป็นอะไรอไปเขาก็ดีใจพ่อแม่ทําอะไรเขาก็ทําตามพ่อแม่ ใส่บาตรก็ใส่บาตรกับพ่อแม่ถวายของก็ถวายของกับพ่อแม่มันทำบ่อยๆมันก็ติดนิสัยได้หลอ่อร้อมให้จิตใจเข้าไปในทางที่ดีได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นสันดานของเขาที่เขาจะไม่ชอบทางนี้พอเขาโตแล้วเขาก็อาจจะไม่มาก็ได้ถ้าก็ชอบไปดื่มสุราไปเล่นการพ น, นันไปเที่ยวเขาก็จะเอาเวลามาวัด น, นี้ไปเที่ยวไปดื่มสุราไปเล่นการพนันแทน ถ้าถึงตอนนั้นเราก็ต้องมองความจริงว่าเ น, นี่ยเราช่วยเขาไม่ได้แล้วถ้าเราไปอยากให้เขาเหมือนตอนนี้เขาเป็นเด็กเราจะทุกข์พ่อแม่ทุกคนทุกข์กันเพราะว่าตอนเป็นเด็กนี่ไหนมันน่ารักนะว่าอย่างไงสอนอยังไงก็เชื่อบอกให้กราบก็กราบบอกให้ทําอะไรก็ทำํำแต่พอเริ่มโตเริ่มโตขึ้นเริ่ม ม, มีคาว่าดื้อเข้ามาเลยดื้อเพราะว่าเขา เขาไม่อยากจะทำเขาอยากจะทําตามนิสัยของเขาอย้นเราก็ต้องคขดยอมต้องเข้าใจว่าลูกของเรายิ่งโตขึ้นยิ่งโตขึ้นมันจะยิ่งดื้อมากขึ้นมากขึ้นแล้วไม่มีทางที่เราจะไปบังคับเขาได้บังคับก็เจอแล้วก็โกรธกันเกลียดกันไปเปล่าๆแทนที่จะรักกันก็เลยกลายเป็นโกรธกันเกลียดกันเมื่ชาตินี้ก็มีคนมาบนมา่นว่ามีพี่ไม่ถูกกับแม่อายุก็ หกสิบเจ็ดสิบกันเข้าไปแล้วยังไม่ถูกกันอยู่นี่ยเน่ยก็บอกว่ามันก็อย่าไปอะไรกันที่ถ้าเขาไม่ทําอะไรก็าไม่อะไรเราก็เฉยเฉยไปดีกว่าไปพูดไปทําอะไรแล้วทําให้เกิดการโกรธการเกลียดกันขึ้นมาถ้าเขาทาอะไรที่เราไม่ถูกใจเราบอกกขาแล้วก็ไม่ทําก้วเราก็หยุดซะก็แล้วกันเฉยเฉยไปท้ามใจไม่ได้เคยสอนได้ตอนเด็กๆเคยสอนเคยทําอะไรได้ พอโตก็ยังอยากจะสอนอีกพอสอนไม่ได้ก็เสียใจก็อาจจะไปว่าไปพูดไม่ดีก็ลูกก็เลยยิ่งโ ก, กรธเกลียดกันใหญ่นี่เป็นเพราะว่าต่างคนต่างอยากกันอยากให้เขาเป็นอย่างนี้นี้เขาก็อยากจะเป็นของเขาเราก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างของเราพอมันเป็นไม่ได้ก็โกรธกันเสียใจโกรธกันขึ้นมาซึ่งมันไม่น่าจะต้องเกิดขึ้นเลย ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของของมนุษย์เราว่าเป็นอย่างไรนี่เราไม่มีธรรมะเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันเราก็เลยทําไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราอยากจะได้อะไรอยากจะให้อะไรเป็นอะไรก็ทําไปทําไม่ได้ก็เสียใจโกรธขึ้นมาถ้าทําได้ก็ดีใจดีใจแล้วก็ติดใจเดี๋ยวก็ทําอีก เเดี๋ยวก็ต้องไปเจอกับการไปเจอกับสิ่งที่เราทาไม่ได้พอทำไม่ได้ก็เสียใจอันนี่คือวิธีคิดถ้าจะคิดต้อง ค, คิดตามความเป็นจริงหืูว่าเขาทาเขาเป็นอย่างนี้แล้ว เ, เปลี่ยนเขาได้ไหมถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็ไม่ได้ก็อย่าไปเปลี่ยนก็ลองดูลองบอกก็ดูอ๋ออย่าทำเลยไหมอย่าดื่มสุราได้ไหมเลิกสูบบุหรี่ได้ไหมก็บอกแค่นี้ ถ้าเขาทำได้เขาก็ทําถ้าเขาไม่ทําไปพูดเด็กร้อยครั้งพันครั้งเขาก็ไม่ทําอยู่ดียิ่งพูดมากเขายิ่งเบื่อเดี๋ยวในที่สุดเขาก็ไม่อยากจะเจอหน้าเราเพราเจอหน้าทีไรทําไมสูบเดิมเดิมสุลาทำไมสูบบุหรี่ทำมันไม่เลิกเจอทีไรก็พูดอย่างงี้ทุกทีมันก็เบื่อสิใช่หไหมมันก็เลยแทนที่จะรักกันก็เลยไม่โกรธกันเกลียดกันไปแล้วเราก็ทุก แต่ถ้าเรารู้จักทำใจหยุดความคิดเมื่อถึงเวลาเรารู้ว่าคิดพูดไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าพูดหยุดคิดดีกว่าแล้วก็พุโทโธพุโทโธของเราปงมันสัตว์ตั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนอย่าทำกรรมมันใดไว้ดีหรือชั่วก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นก็ทำได้แค่นี้ทาใจเมื่อเราทาหน้าที่ของเราสมบูรณ์แล้วมีหน้าที่สอนก็สอนแล้วแต่เราไม่มีหน้าที่ไปเปลี่ยนเขา เองเขาไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนตัวเขาเองเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราเองเราก็ต้องมาเปลี่ยนตัวเราจากการที่อยากจะไปเปลี่ยนคนอื่นให้ไม่ไปอยากเปลี่ยนคนอื่นนี่ก็เปลี่ยนมาทำใจให้เราให้สงบอย่าไปหาความสุขจากเขาเราเคยมีความสุขจากเขาพอเขาไม่ให้ความสุขกับเราเราก็อยากจะเปลี่ยนเขาให้เขาเป็นเหมือนตอนที่เขาให้ความสุขกับเราพอเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้เราจะมีความสุข <Yeah. S 1> <ous hold. S 2> ไม keep, keep s <S hmm. ่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะดีจะชั่วเราก็มีความสุขแล้วเราก็จะไม่เพราะเราไม่มีความอยากให้เขาเปลี่ยนเขาเป็นอะไรเ็าเป็นไปเพราะเรารู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้เราเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเองเรามีหน้าที่บอกเขาว่าควรจะเปลี่ยนแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็เรื่องของเขา นี่คือเรื่องของธรรมะเนี่ยที่เรามาฟังกันเนี่ยมาฟังเพื่อให้เรารู้วิธีดำเนินชีวิตของเราให้มีอยู่อยู่อย่างมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ด้วยการทําความดีความดีจะให้เรามีความสุขอย่าทําบาปเพราะทําบาปแล้วจะทําให้เราทุกข์กันและถ้าเราไม่อยากจะมีความวุ่นวายใจก็มาทําใจให้สงบกันนั่งสมาธิกันแล้วก็อย่าไปยุ่งกับชาวบ้านเขา ปล่อยชาวบ้านก็อยู่ไปตามเรื่องของเขาถ้าสอนก็ได้บอกก็ได้ก็บอกไปถ้าบอ ก, กแล้วเขาไม่เชื่อไม่ฟังก็แสดงว่าหมดหน้าที่ของเราเราก็ดูแลรักษาใจเราคนเดียวพอใจเราสงบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีปัญหามันไม่สามารถทําให้ใจเราวุ่นวายได้บ้านเมืองจะเดือดร้อนอยังไงใจเราสงบแล้วจะไม่เดือดร้อนก็จะเดือดร้อนทางร่างกายเท่านั้น ไม่สงบก็ไปไหนก็อาจจะไม่ปลอดภัยทางร่างกายแต่ใจนี้จะไม่มีอะไรมาทำลายได้เพราะสิ่งที่ทำลายไม่ได้อยู่ข้างนอกสิ่งที่ทำลายใจเราอยู่ในตัวเรานี่เองอยู่ที่ความคิดของเรานี่เองอยู่ที่ความอยากของเรานี่เองพอเราไม่คิดไม่อยากแล้วใจเราจะไม่มีความทุกข์เลยแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปด้วยนี่คือเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรม อันนี้ได้ฟังภาษาไทยเข้าใจทุกคำพูดไม่ต้องมานั่งแปลกันว่ามีความหมายว่าอย่างไงก็ขอให้เอาไปพิพจารณาและเอาไปปฏิบัติ ด, ดูแล้วมาเล่าให้ฟังว่าว่ามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปหรือเปล่าถ้าทำได้รับรองได้ว่าต้องได้ความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนความทุกข์จะต้องน้อยลงไปอย่างแน่นอนแล้วนะก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ก่อน เดี๋ยวจะมีการถามตอบปัญหาธรรมอีกช่วงหนึ่งตอนนี้จะนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานาังอุปกปติอิจีตังปัจจตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจโตสาพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะอาบาโสยะามณิโจติอาบาโสยะาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจจังวุฒาปะจายโน จตารโหทัมมาวทานติอายุวันโรสุขังพาลังมาจากที่ไหนกีเทพครับกรุงเทพเลยเห็นมาหลายครั้งเลยนะมาหลายครั้งแล้หลายปีแล้วเนี่ยสสี่ปีสาปีเออยังไงมาเพื่ออะไรมาทำบุญเข้าด้วยัุงเทพอยู่ในรถอ่า อยู่ที่บ้านติดตามได้อยู่ใช่ไหมได้ครับติดตามทางยู u ูบเฟซบุ o กแต่ก็ยังอยากจะมาัเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การติดใจให้เราสงบมีความสุขไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องดินลนหาความสุขมากความสุขแท้ๆมีอยู่ในตัวเราไม่หากัน ถราไปหาความสุขปลอมที่อยู่ข้างนอกได้มาปั๊บก็หมดไปไปเที่ยวกลับมาก็หมดกันละไปดูหนังฟังเพลงกลับมาก็หมดนะแต่นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านนี้กลับมีอยู่กับเราก็ไม่หากันสบายไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับการเดินทางเพราะไม่รู้หรือทำไม่เป็นมีคาถามอะไรอยากจถามหม การเจ้าอย่างพี่พราจารว่าอย่างอพระเจ้าเทวทัตทาพระเทวทัตตอนนี้อยู่ในนรกนะครับถ้าเหมือนกับเขานอนหลับแล้วก็ฝันร้ายแก่ในนรกอย่างเดียวเลยวั น, น, นอี้ไม่แน่เ้าอาจจะเกิดแล้วก็ได้เราไม่รู้ไม่รู้มันจะไปเกิดเพราะโลกมนุษย์อาจจะไม่มีเฉพาะโลกเรานะดวง ด, ด, ด, ด, ดาวดวงอื่นอาจจะมีมนุษย์อยู่ก็ได้เราคิดว่ามนุษย์จะอยู่แค่อยู่แค่โลกใบนี้ใบเดียวนะ ในจักรวาลเห็น ม, มีมีดวงดาวดวงอะไรโล ก, โลกตรงเยอะแยะเป็นแต่เราติดต่อเขาไม่ได้แต่จิตของเรานี่ไปได้ทุกแห่งทุกคนไม่ต้องใช้ไม่ต้องไม่ต้องใช้จรวดไม่ต้องใช้เครื่องบินพาไปเป็นแต่ส่งกระแสวับไปมันก็ถึงละมันมันเร็วมากมาว่ามาพ่อขาดที่ลุงก็าออธิบาย ยังยังฟังเรื่องธาตุสิบแปดยังสี่อสองนะยังไม่ไปเปิดดูในก o o g l e แล้วยังก็ไปเจอคำว่ามนโนธาตุธรรมธาตุมนโนวิญญาณธาตุในกลุ่มสุดท้ายของอยายนะพันนอทีนี้ตัววิปาเป็นธรรมธาตุไม่ใช่เดี๋ยไปรู้เลยอด่๋ยวไปสนใจใจตัวเดียวพอเนะี่มันไปแยก อไม่ต้องอไม่ต้องไปรู้เป็นไหนนมันเป็นตัวที่เรารู้เนี่ยอที่เราสุขทุกนี่ก็อยู่ที่ตัวรู้เนี่ยคือตัวใจเรานี่แหละอแล้วจะเรียตัวคลื่นจิตที่ของคนอันใจขอ้คนขาดได้ไหมก็อยู่ใ น, น, ในจิตนี่แหละตัวจิตนี่ยมันทําอะไรได้เยอะแยะมีความสามารถ เหมือนเครื่องไอนเนี่ยคุณอย่าไปแยกแยะเลยว่ามันมีอะไรบ้างคุณรู้จักใช้มันก็พอเหมือนไม่ต้องไม่สนใจมันสามจีมีใช้ซีพขนาดไหนมีจอเอลซดีขนาดไหนไอเรื่องสเปคไม่ต้องไปสนใจขอให้สนใจรู้จักวิธีใช้มันก็พอถ่ายรูปถ่ายยังไงอัดเสียงอัดยังไง เ, เข้าเน็ตเข้าได้ยังไงแค่นี้ก็พอแล้ะ อเรื่องจิตจะมีกี่ชั้นกี่ดวงกี่ระดับมันต้องไม่เสียเวลาไปรู้มันหรอกอันนั้นเป็นเป็นสเปกเข้ามาไหมสเปกของเครื่องเวลาคนซื้อ iPhone ก็ไปอ่านสเปกด้วยเปล่าคนก็อย่างก็รู้ว่าโทรได้หรือเปล่าเข้าเน็ตได้หรือเปล่าใช่ไหมถ่ายหนังได้เปล่าถ่ายวีดีโอได้เปล่าเล่นไอจีได้เปล่าแค่นี้ก็พอนะเล่นไลน์ได้เปล่าอย่างนี้นไม่ต้องไปสนใจละสนใจอ ย, อย่างเดียวว่าทําใจให้เรามี ความสุขได้หรือเปล่าดับความทุกข์ได้หรือเปล่าแค่นี้ก็พอแล้วไปเรียนอะ้เสียเวลาความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดรู้แล้วก็มานั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ดี <ๆ S 1> เวลาเจออะไรไม่ได้ดังใจอยากก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเรายังไม่รู้เลยที่เราที่เร า, ท, เราที่เราไม่ตอบเพราะเราไม่รู้ก็ใช่ไหมนี่ไม่อยากจะบอกว่าไม่รู้ <laughs> เดแต่ก็จะเสียเชิง <laughs> เราไม่รู้แบบของพวกนี้อย่ามาถามเลยก็ทําลยเองก็ให้ทำํำอย่าไปรู้มันให้รู้จักวิธีทําก็พอออที น, นี้สเปกตัวหนึ่งที่ว่าเป็นเป็นนิพพานไม่มีอื่นในธรรมธาตุนะคะอยาอ่าหัวหัวเราะอย่าพูดอย่าพูดไปทําใจให้มันไม่มีความอยากมันก็นิพพานแล้วล่ะ <sk l ug> ใจนีใจนี่ก็คือธรรมธาตุนี่แหละใจที่ไม่ไม่มีไม่มีกิเลสก็มีแต่ธรรมนุ่นนก็เรียกเป็นธรรมธาตุไป ใจนี้เป็นธาตุรู้ธาตุรู้ที่ยังมีกิเลสกับธาตุรู้ที่ไม่มีกิเลสก็ใจที่มีแต่ธรรมล้วนๆใจมีแต่ธรรมล้วนๆถ้ามีธรรมมันก็ไม่มีกิเลสกิเลสกับธรรมนี่มันอยู่กันคนละฝั่งอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามีกิเลสก็แสดงว่าไม่มีธรรมแล้วถ้ามีธรรมมันก็จะไม่มีกิเลสอันยัยไหม นั่นใจที่ไม่มีกิเลสก็เป็นใจที่มีธรรมล้วนๆก็ เ, เรียกว่าธรรมธาตุ<ม>อย่าไปสนใจเลยพวกนี้มันไม่เป็นประโยชน์แล้วรู้ความรู้แบบอันนี้สําหรับคนที่เขารู้แล้วเข้ามานั่งคุยกันสนุกสนคุยเรื่องสเปกกันเนี่ย<ม>คนที่แต่คนที่ไม่มีความสามารถที่จะรู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่าไปสนใจเลยใสนใจรู้เพลงแต่รู้ว่าวิธีใช้มันใช่ยังไงขับรถคุณไปสนใจเรื่องว่ารถของคุณนี่รงม้าเท่าไหร่ มีกี่สูตรรู้ป่ ะ, ะมีนางม้าเท่าไหร่เอมีรอบเท่าไหร<อ>่กินน้ํามันกี่กิโลต่อลิตรเรารู้มันทาไมไม่สําคัญขอให้มันวิ่งได้ใช่ไหมออขอให้ใจเราสุขก็พอลนะมันจะเป็นธรรมธาตุเป็นร้อยธาตุพันธาตุแสนธาตุก็ช่างโง่มันนี่ยขอให้มันมีความสุขอย่างเดียวไม่ให้มันมีความทุกข์ก็ใช้ได้ละ วิธีมีจะให้มันมีความสุขไม่มีความทุกข์ก็ให้มีสติมีพุทธโธคําเดียวเนี่ยเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านสอนนะะพุทธโธคําเดียวเนี่ยสอนชาวเขาเนี่ยท่านเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาทั้งวันชาวเขางงว่าหลวงปู่เดินหาอะไรหลวงปู่บอกมาหาพุทธโธช่วยหาให้ไหวบอได้ทํายังไงก็พุทธโธพุทธโธไปเห็น <c oughs> ไหมทํานสอนคนคนที่ไม่รู้เรื่องสอนง่ายกว่าคนที่รู้ ไอ้พวกที่รู้เนี่ยสอนให้พุดโธไม่ยอมพุดโธหรอกจะมาเอาแต่รรทำร้108ทา่าร้อยแปดท่าแสนท่านนี่นหแหละไปคิดมันทํำไมถ้าไม่มีพุโทโธแล้วไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันมีพุโทโธแล้วจิตสงบมีความสุขรู้ไร้อยแปดท่านนี้แล้วใจวุ่นวายไหมเดี๋ยวสับสนงงซะอีกอันนี้หมายถึงอะไรอันนั้นหมายถึงอะไรไม่มีประโยชน์อะไรหรอกอย่าไปรู้ให้รู้คําเดียวรู้พุโทโธคําเดียว ให้ใจอยู่ขับพุธโทอย่างเดียวอย่าไปคิดคิดถึงธรรมธาตุนิพพานธาตุคิดถึงนูน่นคิดถึงนี่แล้วก็เวียนหัวนะไม่เกิดประโยชน์อเลยอันนี้สําหรับคนที่เขาไม่มีกิเลสแล้วก็ามานั่งคิดกันเนี่ยอันนี้เป็นอภิธรรมนี่มันเรื่องของพระพุทธเจ้ากับพระหลังคุยกันคุยเล่าเรื่องต่างๆของจิตที่เป็นอย่างนี้อันนี้แต่เวลาท่านสอนท่าไม่ให้มาสอนท่านพวกนี้หรอก สอนจะให้ทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญสตินั่งสมาธิเนี่ยอันนี้สำหรับพระอรหันต์พระที่เขาไม่มีกิเลสแล้วเขามีเวลาว่างเขาว่านั่งคุยสนทนาธรรมกั น, นอันนี้เป็นธรรมของพระขีณาสกของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าคุยกันแต่พวกเราเป็นปุถุชนไม่มีประโยชน์อะความรู้เหล่านี้เพราะเราไปไม่ถึง่ความรู้ของเราก็คือทำทานยังไงอะ รักษาศีลอย่างไงนั่งสมาธิอย่างไงจเจริญปัญญาอย่างไรให้มาเรียนรู้อย่างนี้ดีกว่าแล้วพอเราได้ศีนสมาธิปัญญาแล้วทีนี้เราคุยได้เรื่องเราเหล่านี้จะคุยกันยังไงก็คุยกันได้ไม่มีปัญหาเลยวันนี้เฟ e บุ๊ k เข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟซบุ๊กสูงสุดสี่ร้อยสามสบสองค่ะย o u t u หนึ่งร้อยห้าวิทยุห้า Oh, หกค่ะหกแล้วเคเบิลยังถ่ายทอดอยู่ป่าถ่ายทอดครับถ่ายทอดทุกวันนะแล้วมีต่อด้วยการดูยอนหลังเปล่าเนื้อนนี้ยังไม่ยังอาจจะเฉพาะช่วงถ่ายทอดส่วนใหญ่แล้ววันนี้ไลน์ไปถึงไหนแล้วล่ะไลน์สองพันเจสิบคนสองพันแล้วนะเจ็ดวันสองพันเจ็วันนะสองพันเดี๋ยวมันก็อิ่มตัวเหมือนตอนนี้ facebook เริ่มอิ่มตัวแล้อเดี๋ยวนี้ขึ้นแค่วันละสามสิบสามสิบ เดือนหนึ่งอาจจะได้สักพันหนึ่งคนที่กดชอบนะแต่เมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าไม่กี่วันก็พันไม่กี่วันก็พันอย่างนี้มันเต็มแล้ะมันมันมันอิ่มตัวละคนรู้จักกันหมดละได้เท่านีนะ้แต่พวกของบ้าของตลกนี่คนดูกันเป็นล้านนะถ้าเป็นของบ้าของตลกนี่โอ้ยชอบกันแสดงว่าพวกปัญญาอ่อนทั้งนั้นพออะไรต้องคิดแตหน่อยไม่เอาละ พอต้องคิดหน่อยคิดไม่เป็นฟังไม่รู้เรื่องแนละ้วไม่ดูดีกว่าต้องดูแบบของง่ายๆของเด็กเดินหัวหกกหั ว, หวอะไรเงี้ยช้างมีขาห้าขาเนี่ยชอบดูกันเนี่ยดูของแปลกๆโอก็กดกันเป็นล้านดูกันเป็นล้านคนเพราะมันไม่ต้องใช้ปัญญามากของอะไรที่ต้องใช้ปัญญามากนี่จะดูน้อยเพราอมันคิดไม่เป็น ดูแล้วไม่เข้าใจดูแล้ไม่รู้จะดูไปทําไมดูแล้วไม่เกิดความสุขอดูของเล่นดูของตลกแล้วมันเกิดความสุขอแต่มันเป็นความสุขประเดียวประเดาวความสุขที่ได้จากความรู้นี่มันมันมันมีน้ําหนักมากกว่ามันอยู่ได้นานกว่าแต่เข้าไม่ถึงกันอคนเลยเข้าเข้าหาทางความรู้กันน้อยเข้าหาพวกบันเทิงนี่เยอะมีญาติโยมคนหนึ่งเขาทา เว็บของเขาก็ามีคนเข้าวันละสองล้านเขาทำเรื่องหนังเรื่องหนังก็ว่ามีคนเข้าเยอะคนชอบดูหนังฟังเพลงกันติดตามอยากจะรู้ว่าหนังล่าสุดเป็นยังไงน่าดูน่าชมไหมควรจะเสียเงินไปซื้อไปดูหรือเปล่าก็มีการเข้าไปฟังไปอ่านกันถ้าเป็นเรื่องบันเทิงเรื่องอะไรนี้คนจะชอบกันส่วนใหญ่ แต่ถ้าเป็นเรื่องธรรมะนี่ก็น้อยเพราะเข้ายากเข้าถึงยาก <c oughs> มีคำถามไม่ทางบ้า น, นค่ะคำถามจากคุณนันทกรหนูมีปัญหาเจ้าค่ะมีวัดแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้ปฏิบัติธรรมมานานแล้วเธอบอกว่าสามารถแก้กรรมให้ได้แต่ผู้มีกรรมจะต้องมาปฏิบัติที่วัด มาเดินจงกรมและนั่งสมาธิและสามารถมาปลดกรรมได้จะสามารถทำได้จริงไหมคะไม่ได้หรอกกรรมที่ทำไปแล้วมันมันเป็นผ่านไปแล้วมันไปแก้ไม่ได้แก้ได้คือกรรมใหม่อย่าไปทำกรรมใหม่การมาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เป็นการหยุดการกระทำกรรมที่ไม่ดีต่างๆแต่กรรมเก่าที่ทำมาแล้วนี่เช่นไปฆ่าใครมาเนี่เดี๋ยวก็ต้องก็ต้องรับผลของกรรมนั้นไป เราแก้กรรมใหม่ได้โดยการเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นการสร้างกรรมใหม่เดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นกรรมที่ดีจะพาเราไปสู่นิพพานแต่กรรมเก่าที่เราทําเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์นี่มันจะพาเราไปอบายแก้ไม่ได้แต่เราถ้าเราสร้างกรรมใหม่ที่มีมากกว่ากรรมเก่ากรรมใหม่ก็อาจจะดึงเราไปในทางที่ดีได้โดยที่ไม่ต้องไปทางที่ไม่ดี เช่นถ้าเรามรู้เป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอาหารหันนี้กรรมเก่าต่างๆที่เราทํามานี้มันจะไม่มีกําลังที่จะดึงเราไปเกิดในอบายได้อย่างพระองค์คุลิมาเนี่ยฆ่าคนมาต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนพอมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นพระอาหารหันนี่ก็เลยไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมารับผลกรรมอีกต่อไปต้องแก้แบบนี้เอาว่ามา อยากทราบว่าในแง่ของการผิดศีลผิดบาเนี่ย ค, คือค่าคนเป็นเนกับค่าคนในท้องเนี่ยค่าเด็กในท้องเนี่ยจริงๆแล้วความมันก็ค่าเหมือ น, นกันเนี่ยต่างกันก็ <c oughs> ผลมันอาจจะนิดหนักเบาต่างกันโทษมันจะมีหนักเบาต่างกันอะธิเชน่นอธิเช่นปัจจุบันมีการทำแท้งปฏ <c oughs> ิการนักขันเด็กในคำเนี้ยคะ่ะอธิเช่นเป็น เช่นเป็นโรคดาวซินโดเหมือนจะเป็นโครโมโซมผิดปกติ <Yeah. S 2> หรือมีความพิการพิการอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอืะ mm hmm. กลุ่มบางโรคก็เด็กอาจจะสามารถมีชีวิตต่อไปได้แต่อาจจะเป็นเด็กพิเศษหรือเป็นทัศนียที่ต้องฟอกเลือดบ่อยๆหนักเป็นภาระพ่อแม่หรืออีกกลุ่มหนึ่งคือเด็กคลอดมาไม่ไม่กี่วันนี่จะติดาตายแน่ๆอย่เงี้ย mm hmm. แล้วแพทย์กับพยาบาลร่วมกรบคําแท้ในสิ่งนี้ mm hmm. นนของกรรมเนี่ยต้องรับมากน้อยแค่ไหน ส ก, ก็เป็นเป็นประสบ <c oughs> ดี้ในคือไม่ไม่อยู่ที่ความเหตุผลที่การฆ่าหรอกคือการฆ่ามันก็เป็นการฆ่าอยู่ดีเหมือนกันฆ่าด้วยความปรารถนาดีแล้วฆ่าด้วยความปรารถนาร้ายมันก็เป็นการฆ่าเหมือนกันบาปเหมือนกัน แปลว่าคิดว่าเด็กอาจจะไม่สามารถมีชีวิตรอดได้แน่ๆก็ปลแล to to um. live. Live so. ้วไม่คิดก็ปล่อยเขาก็ปล่อยก็ปล่อยเขาตายตามธรรมชาติเราทําไมไปต้องไปเสี่ยงกับการทําบาปทําไมก็ปล่อยเขาตายไปหรือถ้าเขาอยู่ได้ก็จะอยู่แบบอะไรของเขาก็เรื่องของเขาเป็นเรื่องกรรมของเขาไงเขาทํากรรมอันใดไว้เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปแต่เราไม่ควรจะไปทํากรรมเพื่อไปเปลี่ยนกรรมของเขาเปลี่ยนไม่ได้ เรือว่าเป็นเป็นหน้าที่ใครว่าเป็นหน้าที่อ่าก็เป็นหน้าที่ก็เป็นไปแต่เก่าทางกรรมเขาไม่ฟังมันเป็นหน้าที่หรือไม่เป็นหน้าที่เขาดูว่าฆ่าหรือไม่ฆ่าเขาดูที่การกระทาของเราแล้วโทษหนักเบานี่อยู่ที่ว่าสิ่งที่เราฆ่าบุคคลที่เราฆ่านี้มีคุณมีโทษมีมีมีคุณมีมีคุณมากคุณน้อยถ้าเราไปฆ่าคนที่มีบุญคุณมาก ก็จะมีโทษหนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่นกับฆ่าคนอื่นเนี่ยโทษจะไม่เท่ากันเพราะพ่อแม่นี่มีบุญคุณกับเรามากเราไปฆ่าคนที่มีบุญคุณนี้มีโทษหนักกว่าไปฆ่าคนที่ไม่มีบุญคุณเช่นไปไปทำแท้งลูกเราเนี้ยกลับไปฆ่าพ่อแม่เนี่ยมีมีโทษต่างกันแล้วอย่างหมอหมอหรือพยาบาลช่วยชีวิตคนหนึ่งร้ยคนกับแค่บัด ม, case. มันก็คนละบัญชีไงบัญชีบุญก็อยู่บัญชีบุญบัญชีบุญก็ไม่หายไปบัญชีบาปก็ไม่หายของใายของมันแล้วเวลาตายไปบุญชีบุญกับบาปจะมามาดึงกันดู ว, ว่าอันไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบัญชีบุญมีกำลังมากกว่าก็ยังไม่ต้องไปใช้บาปไปไปรับผลบุญก่อนแต่ผลบาปยังบาปยังมีอยู่ยังต้องใช้อยู่แต่ตอนนี้เป็นคิวของการไปใช้ไปรับผลบุญก่อน อ, อบุญหมดกําลังแล้วบาปมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงไปให้ไปรับผลบาปต่อไปก็ไม่ไม่มีทางออกอก็ไปเป็นพระอรหันต์ไปเป็นพระโสดาบันไปเป็นบรรลุเป็นพระอริยะเจ้าก็จะสามารถที่จะมีกําลังดึงให้ใจไม่ไปรับผลบาปในอบายได้ไม่ไปเกิดในอบายแต่ถ้ายังมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมีโอกาสที่จะมารับผล ผลจากคนที่เราไปกระทํากับเขากลับมาแล้ถ้ายังเป็นมนุษย์อยู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็จะเป็นเหตจุดนั้นได้เหรอคะในเมื่อถ้าเกิดว่าทําอย่างนี้ก็ยังก็ยังบาปอยู่ก็จะถูกหักลบกับบุญที่สร้างได้ก็องค์ุริมานฆ่าคนมันต้องกล้าแล้วก็จะฆ่าคนพอเขารู้ว่าผิดทางเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนทางทันทีเปลี่ยนความคิดทันทีแต่กต้องหยุดด้วยแล้วก็ก็หยุดอย่างหยุดค่าแล้วก็มานั่งสมาธิมังฆากิเลสแทน ค่าความอยากที่จะไปช่วยคนนั้นคนนี้ด้วยการไปทำแท้งไปทำอะไรปล่อยให้เขาเป็นไปของเขาเองไอเขาทำกรรมอะไรมาก็ปล่อยเขาทำไปเด็กมันมีกรรมของมันมันออกมามันจะเป็นดาวหรือเป็นอะไรก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปไปไปจัดการกับกรรมขเขาเราจัดการกับกรรมขเขาไม่ได้เรากลับไปทากรรมให้กับเราขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเหตุที่คนที่อยู่ใน ในหน้าที่ตรงนี้ถ้าจะหนีจริงๆก็ไม่ยากก็อย่าก็บอกอย่าทํานั้นนี่ก็ต้องหยุดก็เปลี่ยนอ่าก็แล้บอกเขาแนะนําเขาก็ได้วันนี้ทางออกก็มีอย่างเงี้ยคนจะทําไม่ทํำก็เรื่องของคุณแต่ฉันไม่ทํำละถ้าให้ฉันทําทนฉันไม่ทำละเพราะฉันเป็นฉันเชื่อบุญเชื่อบาหมอเชื่อบุญเชื่อบาสแคุณอยากจะทําแทงก็ต้องมาหาหมอก็เลยทําแทงก็แล้วกัน เขาให้เราออกไม่ให้เราทำงานแล้วเราก็ลาออกไปเสียเสียเงินดีกวการทำบาปไม่ได้ไม่คุ้มเสียไปทำงานอย่างอื่นไปเปิดคลินิกของเราเองก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะรวยเพียงแต่ทำมาเพื่อหากินเรื่องปากเรื่องท้องนี่ไ ม, ไม่จำไม่จาเป็นจะต้องทำบาปหรอกแล้วอย่งนี้จะต่างกันอาชีพพูดภาษามก็เหมือนกันางค่าเดี๋นี้แต่ไม่ได้ลงมือเอง ก็มีส่วนก็มีส่วนก็เรามีผลประโยชน์จากการที่เราสั่งฆ่าเราได้ประโยชน์จากเราได้เงินเดือนเนี่เป็นทหารเป็นตำรวจไปยิงคนตายไปยิงจับผู้ร้ายตายนี่ก็มันก็บาปเหมือนกันเป็นปยาฆ่าอ่าเป็นอะไรเพชฌฆ่าก็บาปเหมือนกันก็เป็นอาชีพคนฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าเป็ดฆ่าไก่ก็เป็นอาชีพเหมือนกันการที่ฆ่าคนที่เป็นฆาตกรเอ่าเป็นฆาตกรก็บาปเพียแต่ว่าโทษมันน้อยกว่า ค่าฆาตกรกับค่าพ่อค่าแม่เนี่ยโทษอาจจะน้อยต่างกันค้ากับดินนแล้วก็ยังมีโทษอยู่แล้วเป็นไปได้หรือเปล่าคะที่ ว, ว่าถ้ า, ถาท่านก็ยังยังทําในหน้าที่นี้อยู่แล้วเอการบำเพ็ญทานศีลภาวนาแล้วการไม่ดีจะจะวิ่งไล่ตามไม่ทนันมันมีความเ ไ, ไปได้หรือได้ท่านทุกชาติเรามาเกิดเราทําความดีมากกว่าทำบาปเวลาตายไปแล้วก็ไปรับผล ผลของการทําความดีเราก่อนพอผลของ บ, บุญกับบาสมันเท่ากันแล้วก็มากลับเป็นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็มาแต่เราเป็นมนุษย์เราอาจจะต้องมารับผลบาปที่เราทําจากคนนั้นคนนี้ได้เคาะกรรมต่างๆแต่เราไม่ต้องไปอบายยังไม่ต้องไปอบายยังไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเป็ถ้าเราเรามีบุญมากกว่าบาปเวลาเราตายไปแต่เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ ผลของบาปที่เราทำไว้มันก็สามารถส่งผลได้อย่างพระมมกคลานะนี่เป็นเป็นพระอาหารแต่ท่านก็เคยไปท่าคนในอดีตชาติชาตินี้ท่านก็เลยถูกคนมาตามฆ่าแต่ท่านไม่กลับมาเกิดพอหลังจากชาตินี้ไปแล้วท่านตายไปแล้วท่านไม่กลับมาเกิดอีกละกรรมต่างๆบาปต่างๆที่ทำไว้ก็ไม่มีสามารถที่จะมาส่งผลให้กับท่านได้ต่อไป เพราะไม่มีร่างกายเป็นผู้มารับผลก็พยายามทําบุญเยอะๆก็แล้วกันถ้าทําบาปบ่อยก็พยายามทําบุญรักษารักษาศีลไม่ได้ถ้าทําบาปมันก็รักษาศีลไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ไปนั่งสมาธิก็ยิ่งยากอย่างนี้ก็ทำได้อย่างนี้ก็คือทําบุญไปแต่มันจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะบาปมันนี้มันมีน้ําหนักมากกว่ า, าการการรักษาศีลนี่มันมี มี ม, มีมีน้ำหนักมากกว่าการทำบุญนะงั้นอย่าไปทำบาปดีกว่าทำห้คนหนึ่งเขาไม่ทำก็ได้ไปท ำ, ทำอาชีพหมื่นก็ได้หรือทำอาชีพเดียวกันเพียงแต่ว่าอย่าไปเอาอาชีพทำในส่วนที่จะต้องทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยบางทีบางรุ่นรเราคิดคิดไม่รอบคอบคิดไม่ไม่ออก เป็นหมอก็มีหน้าที่เพื่อรักษาชีวิตใช่ไหมแล้วทำไมไปทำลายชีวิตอ่ะต้องรักษาชีวิตเขาสิให้เขาเกิดที่เราไปมองในทางด้านเศรษฐกิจว่าจะต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอะไรต่างๆเราไม่ไปมองว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลเราได้ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแเพราะาไม่เคยเข้าวัดกันไม่เคยฟังเทศฟังธรรมกัน ก็เลยคิดไปตางความความรู้สึกเนะี่ยคิดคิดไปในทางทางเศรษฐกิจจะคิดในทางอะไรเงินทองไปเสียแทนที่จะคิดถึงด้านจิตใจเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่มีมีีความเครียดมีความทุกข์ทั้งจิตใจที่ต้องอุ้มท้องต่อไปก็พยายามสอนคนที่ยังไม่มีลูกแต่ว่าเนี่ยเวลามีลูกมีมีมีมีม ผลเสี่ยงหลายหลายอย่างนะลูกอาจจะไม่สวยไม่งามอาจจะพคนที่การหูหนวกตาบอดลูกอาจจะเป็นดาวเป็นนูน่นเป็นนี่ก็ให้ความรู้กับคนที่เขาแต่งงานสิเผื่อเขาจะได้คิดก่อนว่าเขาจะเอาลูกดีไม่ดีแล้วถ้ามีแล้วเอาไปฆ่าก็บาปนะต้องไปใช้กรรมนะอะไรเงี้ยไม่ให้ข้อมูลกั น, นใช่ไหมเราจะมาแก้ปลายเหตุมันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือต้อง อยาให้คนมีลูกสิถ้าอยากจะมีเพศสัมพันธ์ก็ใช้ยาใช้อะไรไปจะได้ไม่ต้องมีลูกถ้ามีลูกก็ต้องยอมรับกับผลเสียงที่จะตามมาปัจจัยเสียงที่ต้องตามมาไม่คิดไงคิดแต่ด้านดีเวลาอยากจะมีลูกนี่เห็นแต่ลูกคนหนึ่งก็าหน้ารักดูน่าสวยงามอยากจะได้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ลูกแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ พอพอได้ลูกไม่ดีก็อยากจะฆ่าทิ้งเลยนี่เรารักลูกเรารักอะไรกันแน่เอาลูกที่รักลูกที่สวยแต่ลูกที่ไม่สวยเราไม่รักใละเกลียดใช่ไหมอย่าไปมีดีกว่าถ้าเราไม่พร้อมที่จะรักลูกเราไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพไหนก็อย่าไปมีดีกว่าถ้าเราจะมีลูกเราต้องเตรียมต้องต้องพร้อมที่จะรับทุกสภาพของลูกลูกจะเป็นไงก็ต้องรักเขา เราเป็นผู้ที่สร้างเขามาเนี่ยเราสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอาเขาหรือไม่เอาเขาเมื่อเราจะเอาเขาเราก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีมันญาติโยมสมัยนียเวลาได้มีหมาสวยๆก็ไปเลี้ยงกันพอมันล่อลูกมาเป็นข้อก็มาปล่อยวัดกันเวลามันแก่แล้วมันมันมันไม่น่ารักก็อามาปล่อยวัดกันเวลาที่มันสวยมันน่ารักเลยเอเลี้ยงกันเก็บมันไว้ เราต้องคิดคิดให้มันรอบคอบก่อนที่เราจะทาอะไรเมื่อสมัยก่อนเขาไม่มีวิเขาไม่มีอะไรเขาก็ปล่อยเขาก็าาปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเขาก็าอยู่กันมาได้ตายกันมาได้มันก็ตายเหมือนกันล่ะตายช้าตายเร็วเกิดมาแล้วทุกคนในที่สุดก็ต้องตายแต่เราไม่ต้องไปทำบาปกับการเกิดการตายก็ได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามภาวะของมันตามธรรมชาติของมัน พอใจน ะ, ะคำถามต่อไปคําถามจากคุณอชาาัชราปฏิบัติธรรมอยู่ในห้องส่วนตัวต้องแต่งกายของผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยหรือเปล่าคะก็ให้แต่งกายแบบเหมาะสมกับที่อยู่ของเรานะเราอยู่บ้านเราก็แต่งกายแบบที่เราอยู่บ้านเนะี่ยให้มันสบายอย่าไปแต่งกายแบบที่มันทําให้เวลานั่งสมาธิแล้วมันอึดอัดเรือดไม่สบาย สายร่างสายเสื้อผ้าหลวมๆสบายๆถ้าเราอยู่คนเดียวนี่เราจะแต่งก็ได้ใส่อะไรก็ได้ไม่ใส่อะไรก็ได้ไม่มีใครเข้ารู้คำ ถ, ถามจ้าคุณชุติมาผู้ป่วยโรคมะเร็งลาไส้หมดยุหมดหมอให้หยุดยาให้นอนรอความตายจะเหลือเวลาอีกสองเดือนเจ้าค่ะคาดว่าสิ้นปีนี้ผู้ป่วยจิตใจเข้มแข็งขึ้น ไม่เคยสวดมนต์ไม่ฟังหรืออ่านธรรมะคือไม่สนใจทางนี้ค่ะคําถามเมื่อถึงเวลาต้องตายแล้วเช่นนี้ควรแนะนําให้ปฏิบัติทางหน้าจิตใจอย่างไรเจ้าคะก็ทางเขาไม่สเขาอยู่ที่เขาว่าเขาเขาเขาสนใจหรือเปล่าถ้าไม่สนใจก็ไม่ต้องไปบอกเขาหรอกบอกเขาก็เขาก็อาจจะไม่ฟังอยู่ดีถ้าก็ถามว่าควรจะทํำยังไงก็บอกเขาว่าให้หัดทําใจให้สงบ หัดสอนใจให้ฉลาดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงทุกของร่างกายทุกคนเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่ต้องทุกข์กับมันได้เพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดก็ให้เราคิดไปตามความเป็นจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราคิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราใช่ไหมนั่างกายคนอื่นเราทุกข์ไหมเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายไม่ทุกข์เลยใช่ไหมแต่พอร่างกายนี้เป็นของเราขึ้นมาก็เลยทุกข์เพราะเราไปคิดว่าเป็นของเรามันก็ไม่ได้เป็นของเราร่างกายของพวเราทุกคนนี้ไม่ได้เป็นของเราเลยเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟเราเอาดินน้ำลมไฟมาปั้นให้เกิดร่างกายนี้ขึ้นมา แล้วเราก็ไปหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราก็เลยไปหวงไปหวงไปยึดไปติดกับร่างกายไม่อยากให้มันแก่ไม่ใ่อยากให้มันเจ็บไม่ให้มันตายความทุกข์มันเกิดที่ความอยากของเรานี่เองความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะไม่ทุกข์กับมันใช่ไหร่างกายคนอื่นแก่เจ็บตายเราทุกข์ก็เปล่า เพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเขาแก่ก็เรื่องของเขาเขาเจ็บก็เรื่องของเขาเขาตายก็เรื่องของเขาเราก็ต้องมองร่างกายนี้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นมันเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนเป็นของดินน้ําลมไฟไม่มีเป็นของใครมันเป็นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนถ้าเขาสนใจแล้วบอกให้เขาศึกษาได้เขาดีไม่ดีก็าอาจจะบรรลุทำได้เหมือนพระพุทธเจ้าสอนพ่อตอนก่อนจะตาย พ่อของพุทธเจ้าเจ็วันพุทธเจ้าก็าไปสอนธรรมะสอนให้ปล่อยวางร่างกายนี่แหละพอปล่อยวางได้ท่านก็ บ, บรรลุธรรมได้ใจท่านสงบสุขไม่เดือดร้อนกับความความตายของร่างกายคําถามจากคนตัดไม้ในการปฏิบัติงานที่ต้องทําเพื่อเลี้ยงครอบครัวผมเกิดความขัดแย้งกันในใจว่าผมควรจะทํางานโดยมุ่งหวังความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งจะต้องทุ่มเทเวลาให้ซึ่งเป็นความอยากอย่างหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันผมก็เกิดความขัดแย้งขึ้นว่าผมควรจะปฏิบัติงานโดยไม่มุ่งหวังสิ่งใดอยากอยากไปเสียสองความคิดนี้ต่อสู้กันผัดกันชนะผัดกันแพ้เป็นเดือนแล้วครับขอความขอความเมตตาจากพระอาจารณ์แนวได้ครับก็เราต้องดูว่าอันไหนสาคัญกว่างานของเราหรือว่าครอบครัวของเรา ถ้าเราสามารถรักษาทั้งสองอย่างได้ก็รักษาไปคืองานเราก็ทำไปครอบครัวเราก็ดูแลไปถ้าดูแลได้มันก็ก็ดีเพราะบางทีเราเราทำได้ทั้งสองอย่างแต่บางทีเราไม่มาใช้เวลาคิดแล้วเราไปให้น้ำหนักต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปมันก็เลยไปทางฝ่ายนั้นพ อ, อไปทางนูน้นทางนี้ก็ขาดการ ด, ด, ดูแลั้นก็ต้องดูแลทั้งสองส่วนงานเราก็ทาไป แต่เราก็ต้องมีเวลามาดูแลครอบครัวของเราให้ความสุขกับครอบครัวของเราเพราะถ้าเราไม่มีครอบครัวเราก็จะไม่มีความสุขถ้าเราไม่มีงานเราก็ไม่มีความสุขเราต้องมีทั้งสองอย่างถ้าเรามีงานเราจะได้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวเรามีครอบครัวอยู่อย่างสุขเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราไปเอาแต่งานไม่ดูแลครอบครัวครอบครัวเขาอาจจะทิ้งเราก็ได้ เพราะเขาไม่สามารถหาความสุขจากเราได้เขาก็ขอแยกทางกันไปงั้นเราก็ต้องคิดให้ดีว่าเราต้องการอะไรแล้เราสามารถทําสิ่งที่เราต้องการได้หรือเปล่าซึ่งบางอย่างก็ทําได้บางอย่างก็ทําไม่ได้เช่นถ้าเราอยากจะมาทางธรรมกับทางโลกนี่มันจเจ้าทั้งสองทางไปพร้อมกันไม่ได้ถ้าอยากจะความสุขทางโลกก็ความสุขทางธรรมก็ได้เพียงในระดับต้ น, ตน แต่ถ้าอยากจะได้รับความสุขทางธรรมในระดับสูงนี่เราต้องทิ้งความสุขทางโลกไปอันนี้เราก็ต้องเลือกเนยคนที่มาบวชนี่เขาต้องการความสุขระดับสูง ข, ของทางธรรมแต่คนที่ยังไม่ต้องการความสุขระดับสูงก็ยังสามารถหาความสุขระดับต่ําของทางธรรมได้เช่นทําบุญทําทานรักษาสีห่หไปนี่เขาก็ได้รับความสุขทางธรรมไปแล้วเขาก็ยังมีความสุขทางโลกได้เขาก็ยังไป มนมีแฟนมีเพื่อนมีครอบครัวมีอะไรได้อยู่อันนี้เราก็ต้องศึกษาดูว่าเราต้องการอะไรแล้วสิ่งที่เราทำนี้จะให้กับให้ให้อะไรกับเราแล้วเราก็ต้องตัดสินใจเอาว่าเราจะเอาอะไรคำถามจากคุณชนะตนการวางเฉยเรื่องความแก่เจ็บตายของเราและคนที่รัก ถ้าพัฒนาขึ้นความรู้สึกจะเฉยไปเลยไม่มีรักชังกลัวหลงเหมือนกับเรารู้สึกกับคนที่เราไม่รู้จักไปเลยใช่ไหมคะตอนนี้โยมวางเฉยได้มากขึ้นแต่การทําหน้าที่ก็ยังมีอยู่แต่มองทุกคนเหมือนกันหมดคือท่าสีไม่ได้ใจว่าถูกต้องหรือไม่ครับเ็มันก็ถูกบางส่วนส่วนที่ยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือความเมตตาเราก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมยังรักยังห่วงใยยังดูแลกันอยู่เหมือนเดิม ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายของเขาหรือของเราเราดูแลได้ก็ดูแลมันไปเลี้ยงดูกันไปให้ความสุขต่อกันได้มากน้อยก็ให้กันไปแต่เราจะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้คาถามจากคุณแพทย กรณีที่ยากของเราตาจากการจมน้ําจําเป็นหรือไม่คะว่าเวลาทําบุญอุทิศจะต้องไปณรำคองแห่งนั้นคือวิ ญ, ญญาณเขาหักยังไม่สามารถไปเกิดจะอยู่ที่แห่งนั้นหรือไม่คะอ๋อไม่หรอวิญญาณเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นวิญญาณเขาอยู่ในโลกทิพย์แล้วแล้วเขาก็ไปเหมือนคนนอนหลับฝันไปนะนอกจากว่าเขามีความผูกพันกับอะไรบางอย่างที่ในแม่น้ํานั้นเช่น แหวนเพชรเขาตกล่อยู่ในแม่น้ําอย่างนี้เขาอาจจะยังมาคิดถึงแหวนเพชรเขาอยู่เขาอาจจะไปวนเวียนพยายามจะหาแหวนเพชรวงนั้นก็ได้แต่ถ้าโดยปกติแล้วดวงวิญญาณเขาก็จะไปรับผลบุญผลบาปของเขาแล้วงั้นเราไม่ต้องเราทําบุญให้เขานี่ทําบุญที่ไหนก็ได้ไม่ต้องจำเป็นจะต้องไปทําบุญตรงจุดที่เขาตายเขาถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ เป็นไปได้ไหมครับว่าความฝันจากจิตใต้สํานึกที่ถูกเก็บไว้ในจิตผ่านการเวลานาแล้วเราจะลืมไปมันไม่แน่หรอกขางพวกนี้บางทีมันของมันฝังอยู่มันวันดีเคืดีถ้ามันมีอะไรไปกระตุ้นมันมันก็โผล่ขึ้นมาได้แอนไม่ต้องไปกังวละไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเป็นไปได้ก็เป็นไปไม่ได้ก็ขอให้รู้ว่ามันก็เป็นได้และเป็นไปไม่ได้ มันเต็นก็ช่างหัวมันมันก็ขึ้นมาก็รับรู้มันไปมันก็เป็นแค่ความฝันฝันแล้วมันก็ผ่านไปคำถามที่คุณสีสิริการรับมือกับอารมณ์รักชังกลัวหลงในรูปแบบต่างๆเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าคะเหมือนกันอนะถ้าเราใจเป็นอุเบกขาแล้วมันก็ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสให้เรารับรู้นั่นเราต้องฝึกสมาธิ ฝึกสติให้มากๆถ้าเรามีสติแล้วทำใจให้นิ่งใจก็จะเฉยใจก็จะปราศจากรักชังกลัวหลงคำถามจากคุณเบจาวุทยามานที่มาขวางพระพุทธเจ้าไม่ให้มันรุกธรรมต้องมีผลบาบให้ต้องไปอยู่ในนรกหรือไม่ครับอ๋อไม่พยาบาลนีไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เป็นเป็นเพียงแต่ก็ เป็นแต่เขาเรียกว่ากิเลส ท, ที่ขวางทางพุทธเจ้า ก, ก็คือตันหาความอยากนี่เองแต่เขากําหนดมันขึ้นมาว่าเป็นพยามารเป็นตัวสมมุติมันขึ้นมาแต่ความจริงว่าก็คือความอยากนี่เองคําถามจากคุณชัชวาลกับเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องวิธีจัดการกับกามรมาร ค, าคะครับก็การอารมณ์ถ้าเป็นการมารมเกี่ยวกับการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นก็ต้องพิจารณา ร่างกายของคนที่เราอยากจะร่วมหลับนอนว่าให้มองในส่วนที่ไม่ไม่น่าดูของเขาเช่นพิจารณาอาการ32อาการที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังหัดมองเข้าไปใต้ผิวหนังมองหน้าเขาแล้วก็นึกถึงกระโหลกศรีรษะที่ที่อยู่ข้างหลังหน้าเขามองร่างกายมองเขาก็มองโครงกระดูกของเขามองซี่โครงมองกระดูกแขงกระดูกขากระดูกเท้ากระดูกอะไร หรือมองเข้าไปในอวัยวะต่างๆเช่นปอดหัวใจตับพังผืดนำไส้น้อยนำไส้ใหญ่ถ้าเห็นภาพเหล่านี้แล้วมันก็จะทำให้การอารมณ์ ม, มันระงับได้ส่วนถ้ามันเป็นการอารมณ์ที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสอย่างอื่น mm hmm. เช่นชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบกินชอบดื่มนี่ mm hmm. ก็ให้มองว่ามันเป็นความสุขประเดียวกัดาวเป็นเหมือนยาเสพติด เคยดูแล้วมันจะติดแล้วอยากจะดูพอเวลาอยากดูแล้วไม่ได้ดูมันจะทุกข์นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอย่าไปอยากดูมันหัดหัดระงับความอยากฝืนความอยากต่อไปมันก็จะเลิกได้เหมือนคนที่อยากสูบเลยอยากเดื่บชวรานี่ถ้าถ้าติดแล้วมันมันมันต้องมันต้องมีให้สูบให้เดื่บอยู่เรื่อยเวลาไม่ได้มีไม่มีสูบไม่มีเดื่บก็จะทรมาน ุกทรมานใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจก็พยายามฝืนเหมือนฝืนใจอย่าไปดื่มอย่าไปสูบเดี๋ยวไม่นานความอยากมันก็จะหมดไปคําคำถามจากคุณรันทาร่กลัวการตกนรกทำไงถึงพ้นนรกเดะชะฉานได้ครับก็อย่าไปทำบาปห้าประการแล้วถ้าอยากจะพ้นอบายก็ต้องบรรลุเป็นพระโสดาบันต้อง รักษาศีลต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไม่ต้องไปทําบาปเพื่อรักษาร่างกายเช่นบางคนต้องไปทําบาปเพราะยังต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่เช่นไปมีอาชีพเนี่ยไปทําแท้งไปเป็นฆาตกรไป เ, เป็นเทจขฆาดเป็นทหารนี่ก็เป็นอาชีพก็ยังต้องทําบาปอยู่ แต่ถ้าพิจารณาว่าร่างกายไม่ของเรายังไงมันก็ต้องตายอย่าไปทําบาปเพื่อรักษาให้มันอยู่เลยไม่ได้ไม่คุ้มเสียก็ทาอาที่ตามภาษาของเรามันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปเราก็ไม่ต้องไปทําบาปเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเราไม่ต้องรักษาร่างกายของเราเราก็เราก็จะไม่ทําบาปไปต่อไปเมื่อเราไม่ทําบา โดยเด็ดขาดเราตายไปแล้วก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายอีกต่อไปคําถามจากคุณอรารยามีคนรู้จักกันคนหนึ่งเขามีภรรยามาแล้วสองคนแต่เขามาชอบพอเพื่อนดีชั้นค่ะ mm. เขาทั้งสองไปเข้ารับทีละทีหนึ่งเกี่ยวกับการเพ่งกระแสจิตและได้ทราบจากเพื่อนว่าเขาคนนั้นได้กระแสขั้นอนาคามีแล้วอยากเรียนถามว่าคนที่บกพ้องสิงสามารถจะก้าว ก็ไปถึงขั้นนี้ได้ด้วยหรือเจ้าคะนั่นสิมันฟังแล้วมันก็อาจจะเป็นองคุลิมาไงมึงไม่รู้อันนี้ไม่ไม่ไม่อยากจะไปวิพากวิจารหมดแล้วค่ะหมดแล้วแต่โดยทั่วไปมันมันเหมือนกับคนที่ยังไม่จบมหกแล้วบอกจะไปเรียนปริญญาโทที่จุฬานี่มันฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันขัดกับความเป็นจริงแต่ก็ไม่แน่อาจจะเขาอาจจะมีเส้นมีสายก็ได้ นี้ไม่รู้แต่พูดโดยดักแล้วมันต้องมีทานก่อนถึงจะรักษาศีลได้มีศีลห้าได้ถึงจะต้องมีศีลห้าก่อนถึงจะรักษาศีลแปดได้ก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ก็ต้องมีศีลแปดก่อนถ้าศีลห้ามันไม่มีมันไม่พอกำลังไม่พอมันต้องมีศีลห้าศีลแปดนั่งสมาธิ ต้องมีเวลาไปปฏิบัติธรรมเดินจงกลมนั่งสมาธิไม่ใช่ไปนั่งเพ่งอะไรอยู่สักปั๊บเดี๋ยวก็ไปถึงขั้นนู้นขั้นนี้แล้วอันนี้มันไปด้วยจินตนาการเข้าใจไหมโอ้ถึงแล้วถึงแล้วรู้แล้วรู้แล้วหนอะอาจารย์ก็ถามเห็นหรือยังเห็นหรือยังรู้สว่าเห็นแล้วจ้า <laughs> เห็นแล้วจ้า <laughs> มันก็พอกัน <laughs> ของวันนี้มันไม่ต้องถามคนมันเห็นมันเห็นเองมันรู้เองถ้าเป็นอนาคามีแล้วเขาก็ต้องเลิกกับแฟนมันรู้จะไปอยู่ด้วยกันทําไม ถ้าอยู่ด้วยกานมันก็ขาดกันละ่ะคนที่อนาคามีนี่เขาไม่มีกามอารมณ์นะเขาไม่มีความอยากจะเสพกามเขาเห็นแฟนของเขากลายเป็นซากศพแล้วเห็นเป็นโครงกระดูกนีแล้วก็ยังจะไป ม, มีแฟนทำไมใช่ไหมดังนั้นก็พูดนี้ไม่ได้ไปเพื่อวิพาก์วิจารณกันนะพูดเพื่อให้ผู้ที่สนใจอยากจะรู้ว่าการจะเป็นพระอนาคามีเป็นได้อย่างไงนี่ก็ต้องรู้ว่ามันต้องมีการมี มีทางมีศีลมีสมาธิมีปัญญามันถึงจะไปได้ไม่ใช่ไปนั่งเพ่งเฉยๆนั่งเพ่งอะไรนี้มันไม่ได้เป็นปัญญามันเป็นสมาธิเท่านั้นเองเป็นสติแล้วเพ่งได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพ่งไปแล้วเดี๋ยวเห็นภาพของแฟนขึ้นมาเนี่จะถ้าจิตมันเคยคิดแต่หาแฟนมันจะไปเพ่งอะไรกับอย่างอื่นมันเพ่งไม่ได้หรอกจิตมันชอบอะไรมันก็จะคิดถึงสิ่งที่มันเคยชอบอยู แต่ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็อย่างที่บอกอาจจะมีอะไรที่ผิดปกติที่ไม่ใช่ธรรมดาก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันถ้าก็เป็นได้ก็ขออนุโมทนาด้วยก็แล้วกันแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราเราควรจะสนใจเรื่องของเราเราเป็นหรือเปล่าดีกว่าถ้าเรายังไม่เป็นถ้าเราอยากเป็นก็พยายามทำเสียทาให้มันเป็นให้ได้เราไม่ถามว่าเดี๋ยวเขาทําได้ยังไงอาจจะเขาอาจจะเจอทางลัดก็ได้ อาจจะไปนั่งเพลงอะไรปั๊บก็เป็นพระนาคามีได้เลยก็ดีมีใครอยากจะถามอีกไหมหรือมีคำถามใหม่เข้ามาไหมยังยังนะถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ